บทที่13บสาดารินซ่อนยิ้มพยักหน้าเรียกอีกครั้งน้ำเสียงอ่อนหวานเจ้ารีรออะไรอยู่อีกเข้ามาเถิดเราไม่มีอันตรายใดๆที่จะประทุษต่อเจ้าได้รองมีแต่เจ้าเท่านั้นที่มุ่งคิดแต่จะปองร้ายเราศีสาะนใหญ่โตนั้นสายไปมาแช้าข้าพระบาทไม่ได้ประสงค์ร้ายใดๆต่อเบื้องพระบาทเลยพิว่าได้กระทาการใดๆลงไปบ้างแล้ว ก็เพียงเพื่อจะได้พระองค์มาสู่อ้อมอกที่รอคอยมานานเท่านั้นการสนทนาตอบโต้ระหว่างหลอนกับอามนุษย์ที่แสนจะลึกลับตนนั้นบัดนี้เป็นไปอย่างกันเองและปกติธรรมดาที่สุดหลอนพูดภาษาของหลอนและมันก็พูดภาษาของมันทว่าก็สามารถเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีที่ทั่วตลอดเช่นนั้นนะบัดนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของเจ้าแล้วไม่ใช่หรือ เราหมดทางที่จะหลีกลี่หนีเจ้าไปแห่งใดได้อีกแล้วมันตรัยประสงค์สิ่งใดในตัวเราก็เชิญเถิดเจ้ามารร้ายซึ่งยุคก่อนอยู่ในร่างของนักบวชโลนแต่บัด น, นี้สิงสถิตยึดครองอยู่ในร่างของนักรบยังคงยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นมิยายที่หญิงสาวจะเอื้อนเอ่ยมัธรสวาจาเชิญชวนเช่นไรไม่เฉพาะคําพูดเท่านั้นลอนยังทอดแขนทั้งสองออกไปหา ประดุดดารุณีผู้รอคอยอ้อมกอดของชายคนรักฉะนั้นทันทีที่หล่อนยื่นแขนด้วยกริยาอ่อนช้อยออกไปมันตรัยพะ ง, งานหลังห่างออกไปอีกก้าวหนึ่งหล่อนขอมวดคิ้วแซงทำหน้าฉนนร้องเบาๆว่ามันตรยัฉยฉไหนเจ้าจึงถอยห่างเราออกไปเช่นนั้นก็ฉไหนว่ารักเราและปรารถนาเราอยู่จิตร่างขางข้าพระบาทไม่อาจที่จะเข้าไปใกล้ชิดพระองค์ได้มากกว่านี้ สำเนียงนั้นพึมพำออกมาแผ่วเบาและห้อยหาอาวรณระคนไปกับความพร่านพึงทำไมหล่อนยังคงทำหน้าประหลาดใจอยู่เช่นนั้นส่วนในจิตอันลึกล้ำยิ้มหยันภาวนาว่าอากาเสเฉทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวราสังยุตตาสับตัด ปากราลังกาตาและอื่นๆแปลว่าเพดานกั้นมานอากาศให้ประลาดกะเสมสันอีกให้เป็นปราการกำแพงแก้วกำจัดภัยทวายบทกรดเจ็ดชั้นดำรงมั่นเดโชชัยพระชินราชประสาทให้เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองตนและอื่นๆ ปีศาจพ่อมดผู้เรืองเวทจากนรกมิอาจขยับกายได้ก้าวหนึ่งที่หลอนทำท่าเหมือนจะโผเข้าไปหามันตรกลับถอยหนีออกไปอีกแล้วกันนี่เจ้ารังเกียจเราซะแล้วหรือมันไตราดารินเพอมันไตรไม่อาจเข้าใกล้ชิดพระวรกายได้มีร่างแหไฟตาข่ายเพชรลักษณะประหลาดครอบคลุมอยู่รอบพระองค์หล่อนเอียงคอ มีอะไรที่ไหนมาครอบคุมกลายเราขณะ น, นี้เรามองไม่เห็นเลยสักนิดและถ้าแม้ว่าจะมีอยู่จริงเจ้าพู้เรืองไปด้วยวิทยาเวทแม้แต่สวรรค์หรือนรกก็ยังสถานกลัวฉะนั้นจึงไม่ขจัดร่างแห่ไฟที่เจ้าว่าเห็นคลุมอยู่รอบกายเรานั้นออกไปเสียมันไตรไม่ตอบยืนทมืนนิ่งใบหน้าลึกลับนั้นบางมุมแปลไฟที่ก่อไว้ในกองกลายเป็นดํามืดไปตามเดิม ดารินหัวเราบเบาๆกล่าวต่อมาด้วยอ่อนโยนเช่นเดิมว่าเป็นอันว่าบัดนี้เจ้าตระหนักแล้วใช่หรือไม่ว่ามหิต ท, ที่อำนาจจากกุศลนั้นย่อมจะทรงฤทธิ์อยู่เหนืออำนาจของอกุศลเสมอธรรมะย่อมเหนือกว่าอาธรรมอำนาจจากสวรรค์มีอิทธิพลอยู่เหนืออำนาจฝ่ายต่ำของนรกโลกันก็เมื่อตระหนักเช่นนี้แล้วเหตุใดจึงไม่เลิกคิดจองเวรจองกรรมกับเราสัที ปล่อยเราไปเสเธอดมันตรยัยอันว่ากุศลผลบุญทานใดๆก็ตามที่เราได้ประกอบไว้แล้วนะชาตินี้และอดีตชาติเราขอแผ่อุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่เจ้าขอจงรับไปเถิดเสียงกระโชก ค, คล้ายสัตว์ร้ายคำรามมาเบาๆว่าจิตรางคนางฝ่าพระบาทจะได้คิดทรนงใจเกินไปนะและจะได้พยายามลองริษกมันตรยัยอดีตพิสูจน์มาแล้วว่า ไม่มีอำนาจของผู้ใดจะเหนือไปกว่ามันไตรได้แม้จะมีเกราะป้องพระองค์อยู่ในขนาดนี้ก็อย่าได้คิดว่าจะไม่มีโอกาสเผลอและฝ่าพระบาทแต่องค์เดียวเมื่อใดยังมีทั้งญาติพี่น้องบริวารกับบุษอันเป็นที่รักที่หวังของฝ่าพระบาทถึงพระองค์เองจะมีเกราะป้องกันพายอยู่ก็เพียงแค่เฉพาะองค์เท่านั้นแต่พวกมันนั้นเล่าจะมีอะไรมาคุ้มมันจะต้องพินาศหมดทุกชีวิต และแม้ชีพจะดับสิ้นแล้วก็ตามวิญญาณของมันแต่และวิญญาณมันไตรก็สามารถจะตามราวีต่อไปอีกได้ไม่รู้จบฉะนั้นจึงเตือนสติฝ่าพระบาทไว้ว่าจงใคร่ครวญไตรตรองให้ดีมันไตรแม้จะเข้าใกล้ชิดพระวรากายไม่ได้แต่มันไตรก็บรรดาลให้เกิดสิ่งเลวร้ายต่อฝ่าพระบาทได้ทุกขณะรวมไปถึงบุคคล น, นั้นเป็นที่รักที่ห่วงของฝ่าพระบาททุกคนด้วย มันเริ่มขู่ขวัญทำสงครามจิตวิทยากับหล่อนมาบ้างแล้วแต่ดารินไม่หวัน่นบัดนี้หล่อนแน่ใจแล้วว่ามันและบริวารจะไม่บังอาจแต่ต้องกายของหล่อนได้โดยเด็ดขาดตราบใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าและอรหันตเจ้าทุกพระองค์ยังแผ่รังสีปกปักคุ้มครองหล่อนผู้พระพุทธชอบอยู่ในธรรมเช่นนี้แต่จะอย่างไรก็ตามสถานภาพของหล่อนยามนี้ยังเป็นรองอยู่ และถึงกระนั้นหล่อนก็พอจะมีอำนาจในการต่อรองแล้วสำหรับเจ้าตัวมารร้ายตนนี้เป็นการดีมากที่เจ้าปรากฏกายออกมาพบเราใกล้ชิดในคืนนี้หล่อนอ่อนเสียงแผ่วนุ่มลงตามเดิมเหมือนประลมใจไม่มีผู้ใดเข้ามาข้องเกี่ยวเป็นการพบการสองต่อสองตามลำพังนั่งลงเถิดมันตรเราจะได้สนทนากัน เราเองก็อยากจะพบเจ้าในสภาพเช่นนี้มานานแล้วเช่นกันขอบพระทยัยจิตตรังขนางมันไตรว่าแล้วค่อยๆย่อนกายลงนั่งเหมือนมนุษย์ปกติบนโขดหินใกลๆ้ๆโดยเบี่ยงหลังให้กองไฟขณะที่มันได้นั่งลงอย่างสงบเรียบร้อยแล้วร่างนั้นก็ยังสูงกว่าร่างกายที่ยืนอยู่เต็มส่วนสัตว์ของหลอนสริส้ซดารินสุดกายลงนั่งตามเดิมนาที่ของหลอน ควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูบเหมือนเป็นการพบปะสนทนากับบุคคลธรรมดาทันทีที่เปลวไฟจากซิ ป, ป้สว่างแวบติดปลายบุหรี่มนุษย์ยกแขนขึ้นบางหน้าไว้บ่งชัดว่าเปลวไฟหรือแสงสว่างไม่ถูกกับมันนกะหล่อนอยากจะทดลองเอาฟืนติดไฟโยนเข้าใส่มันสักดุนแต่ก็เกรงว่าจะเสียพิธีซะก่อนยามนี้หลอนต้องการหลอกล่อลวง เพื่อล้วงความจริงออกมาให้ได้มากที่สุดและพยายามจะให้มันเห็นว่าหล่อนจะไม่ก่อพิษภัยเป็นอันตรายใดๆต่อกันเลยพ่นควันบุหรี่เป็นทางยาวไปทางเจ้าปีศาจพ่อมดร้ายริมฝี ป, ปากของหล่อนยิ้มให้อย่างมิตรหล่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสามารถจับกระแสความคิดอ่านของหล่อนได้หรือไม่แต่เชื่อว่าอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของอรหันต์เจ้าที่แวดล้อมอยู่รอบกายขณะนี้ จะสกัดกั้นหยุดยั้งอิทธิฤทธ์ร้ายของมันมิให้กล้ำกลายเข้าถึงหล่อนได้ไม่ว่าทางร่างกายหรือทางดวงจิตวิญญาณและหล่อนจะไม่ทําการใดๆอย่างโง่ๆให้มันตื่นหรือไว้ตัวซะก่อนถ้าเท่ากับที่จะต้องระมัดระวังตนขีดสุดที่จะไม่ให้พลังพลาดเสียทีตกเป็นเหยื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ร้ายกายของมันเรามาคุยกันฉันมิตรฉันที่เคยมีความผูกพันเกี่ยวข้องต่อกันมาก่อน อย่างเจ้าเอ่ยอ้าตกลงไหมข้าพระองค์ปราถนาเช่นนี้มานานแล้วเพียงแต่ฝ่าพระบาทไม่ประธานโอกาสเช่นนี้ให้แก่มันตรัยเท่านั้นก็เดี๋ยวนี้ยังไงล่ะเจ้ามีโอกาสแล้วและเราก็มีความยินดีพอใจที่จะได้พบเจ้าในสภาพนี้มากกว่าที่จะพบเห็นเจ้าในลักษณะศัตรูอันน่าสะพรึงกลัวคอยแต่หลอกหลอนเยี่ยงปีศาจผีร้ายและคอยกอแต่ภายพิบาทให้ ถาพระองค์ไม่ได้มีเจตนาจะกกระทําอันใดให้เป็นที่ระคายต่อเบื้องพระบาทเลยแต่บางขณะก็จําเป็นต้องบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่ออย่างน้อยเราก็จะได้พบปะ ก, กันเช่นราตรีนี้น้ําเสียงของมันตรายอ่อนโยนลงเช่นกันดารินบอกตนเองว่าหล่อนกําลังจะ ก, กล่อมหรือหลอกผีคิดดูแล้วก็อดขาตนเองไม่ได้ก็ดีเหมือนกันมันหลอกหลอนสร้างพิษภัยให้เกลอนม า, มามากแล้ว คราวนี้หล่อนจะหลอกมันบ้างละ่ะการได้พักหลับนอนมานานพอสมควรทำให้สุขภาพทั้งกายและจิตของหล่อนพร้อมมูลยิ่งรู้แน่ว่ามันไม่อาจทำร้ายใดๆต่อหล่อนได้ซึ่งซึ่งหน้าก็ยิ่งเต็มไปด้วยพลังใจเดี๋ยวนี้หล่อนไม่หวาดกลัวพรั่นพรึงต่อเจ้าผีร้ายมหาธูตตนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวสมองอัชาญฉลาดเริ่มทางานในทันที เมื่อสักครู่นี้เรากําลังอยู่ในระหว่างข้อแลกเปลี่ยนกันอยู่นะไหนบอกให้ชัดอีกครั้งสิเจ้าต้องการอะไรจากเราหรือประสงค์ให้เราปฏิบัติเช่นไรเพื่อเป็นการหยาดศึกในครั้งนี้ระหว่างฝ่ายเรากับเจ้าหล่อนเริ่มขึ้นอย่างช้าๆชัดเจนเพื่อจะตีกล่อมข้อหาความจริงองาซ่อนเร้นอย่างลี้ลับในอดีตชาติของตนเองมันไตรายประสงค์ที่จะอัญเชิญเสด็จฝ่าพระบาทจิตตรางค์นางกลับขึ้นไปยังราชอาณาจักร อันเป็นแหล่งกำเนิดเดิมเป็นราชสมบัติเดิมของพระองค์ดังได้ ก, กราบทูลไว้แล้วเพื่ออะไรกันจงตอบราให้ชัดแจ้งสิเพื่อเป็นมิ่งขวัญเป็นความปิติสุขของมันตรเพื่อให้มันตรัยได้ลุล่วงตามจิตเสน่หาพิสวาาต่อพระองค์มาโดยตลอดและเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่พระองค์เคยให้ไว้แก่มันตรัยในครั้งกระโ น, น้น เป็นคําตอบอย่างหนักแน่นมั่นคงที่สุดของปีศาจพ่อมดร้ายเอาละ่ะดารินคิดความในทั้งหลายแหลกกำลังจะได้ถูกเปิดเผยออกไปแล้วซึ่งหล่อนปรารถนาที่จะทราบเป็นที่สุดแม้ว่ามันจะเป็นความจริงหรือความโ ป, ป๊ปปดโมเทสก็ตามทีแปลว่าเราได้มีสัญญาไว้กับเจ้ากระนั้นหรือพระองค์ได้มีสัญญาไว้กับมันตรายอย่างแน่แท้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 โดยไม่มีบุคคลที่สามมาร่วมรู้เห็นเท่านั้นเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทบทวนให้เราเข้าใจอีกสักครั้งสิมันตราเราสัญญาไว้กับเจ้าว่าอย่างไรสะดับฟังให้ดีและขอให้เข้าประทยไว้ด้วยจิตรางคนางเสียงนั้นแช่มช้าต่ำพร้าดังมาอย่างมีจังหวะจากโคนและชัดเจนยิ่งมันตรายจะทวนให้อีกครั้ง เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงอิสริยยศดํารงตําแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรนิทรานครและมัณฑ่ายผู้นี้เป็นพระมหาราชครูปุโรหิตที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของพระเจ้ามหิธิเดชะกษัตริย์ราธิราชผู้ปกครองแผ่นดินอ่านเป็นพระราชบิดาณวารักหนึ่งเมื่อถึงกรรมเก่าที่เวียนมาถึง สมเด็จพระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงประชวรนตามดวงชะตานั้นจะต้องถึงแก่ชีวิตไม่มีแพทย์หลวงหรือผู้มีวิทยาการเรืองฤทธิ์ผู้ใดจะทำการตอบพระชนชีพให้แก่พระราชบิดาของพระองค์ได้มันตรายเองก็ได้ตรวจดูแล้วเห็นแน่ชัดว่าพระเคราะห์นั้นหนักนักยากที่ผู้ใดในแผ่นดินจะช่วยปลดเปื่องพระเคราะห์ยืดพระชนชีพของกษัตริย์มหิดทีเดชาได้ เว้นไว้ประการเดียวมันตรายจะต้องกระทำพิธีใหญ่เพื่อหักเหดวงชะตาเป็นการแบ่งเบาปัดเป่าพระเคราะห์เพียงขณะเพื่อยืดประชนชีพออกไปแต่วิธีนั้นมันตรายจะต้องยอมทนทุกเวทนาและเสียสละยิ่งนะักมันตรายหยุดเว้นระยะดารินเงียบสดับอย่างพิจารณาไปทุกท่อยกระทงความพยักหน้าเตือนว่าต่อไปสิเรากําลังฟังอยู่แล้ว พระองค์เองขนาดนั้นมีพระชนมายุด่าสิบแขวบปีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารีแห่งแว่นแคว้นอันไพศาลนี้แล้วถ้าแม้ว่าสมเด็จพระบิดาสวรรคตลงเมื่อใดเมื่อ น, นั้นพระองค์ก็จะเสด็จขึ้นทะเลิงถวันเป็นกษัตริย์ตรีเป็นสมเด็จพระราชนีแห่งนครใหญ่ตามโบราณราชประเพณีพระองค์ในยามนั้นก็ทรงได้ร่วงรู้ในพิธี ที่จะตอบพระชนชีพของสมเด็จพระบิดาโดยตลอดทั้งที่เป็นความลับดำมืดไม่เปิดเผยแต่ทรงทราบได้เพราะนางแม่มดนามว่าอราลีผู้รักษาเทวาลายัยเป็นผู้กระซิบบอกความและพระองค์เองก็เป็นผู้มีกระตันยูกะตะเวทิตาสูงสุดสมเป็นยอดหญิงแห่งแผ่นดินสมเป็นพระราชธิดาองค์เดียวของพระเจ้ามหิดทิเดชะ ไม่ทรงประสงค์จะให้สมเด็จพระราชบิดาต้องสวรรคตลงซส ก, ก่อนไม่ปราถนาที่จะขึ้นเถลิงทถววันโดยฉวยโอกาสรอคอยนิ่งดูดายให้พระชนกนาฏต้องสิ้นพระชนลงเสียในครั้งกระนั้นดังนั้นพระองค์พูดซึ่งมิเคยได้ใหญ่ดีสนพระทัยใดๆกับราชบุโรหิตมันตรามาก่อนเลยแม้จะตระหนักแน่อยู่ในพระทัยว่ามันตรนี้แสนจะเสน่หา แอ่ผูกพันมีจิตพิสวัตมานานแล้วประดุจสุนักต่ำต้อยที่แง้มมองดูดวงดาวกระนั้นพระองค์ก็ยังยอมลดพระเกียรติลงได้เข้ามาวิงวอนพร่ำขอร้องต่อมันตรัขอให้มันตรัยยอมสละตนเองเข้ากระทําพิธีต่อพระชนชีพให้แก่สมเด็จพระราชบิดาระหว่างบรรทมแซวอยู่บนพระที่รอมรณาการที่กาลังจะเข้ามาถึงโดยให้สัตย์สัญญาไว้ว่า แม้มันตรายสละตนเองกระทําพิธีต่อพระชนชีพของพระราชบิดาให้ฟื้นคืนคงขึ้นมาได้จิตตรังคนางเทวีคือพระองค์ในยุคนั้นจะยอมมอบกายมอบความรักให้แก่มันตรายน่าสนใจมากต่อไปสิด้วยความรักที่มีอยู่ท่วมท้นเป็นทุนเดิม ด้วยความหลงกลต่อ ว, วาจาอันออดอ้อนวิงวอนของสตรีรูปงามที่ตนเองหมายปองมันตรายจึงกล้ายอมเสียสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพิธีกรรมนั้นดังได้กล่าวแล้วว่ายิ่งใหญ่นะักแล้วตัวมันตรายเองก็จะต้องได้รับทุก เ, เวทนาสาหัสเพราะสิ่งอันสำคัญยิ่งของการกระทําโอสถถวายแกองค์มหิทธิเดชาก็คือมันตรายต้องยอมควักดวงตาข้างหนึ่ง ออกมาผสมกับสับพสารโอสถเพื่อประกอบเป็นโอสถทิพขึ้นมันตรา ย, ยอมแล้วเพื่อ ย, ยอดหยิงอันเป็นที่รักควักดวงตาของตนเองออกผสมเป็นโอสถถวายให้แก่พระชนกของพระองค์เมื่อได้รับการถวายโอสถวิเศษจากมหาคัมภีรีลับซึ่งได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษของมันตรายเองนั้นพระอาการประชวนของมหิตที่เดชะก็ทุเลาขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ไม่เกินสามทวารียาตรีการพระองค์ก็กลับฟื้นคืนคงพระชนชีพมีพระสุขภาพพรานาไมายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเหมือนเดิมแข็งแรงแม้กระท่านจะส่งม้าศึกออกทำสงครามสู้รบปราบอริราชศัตรูอันเป็นแว่นแควนน้อยใหญ่ภายใต้คันทศีมาที่ก่อการกระด้างกระเดื่องขึ้นได้กษัตริย์มหิดยเดชะ คืนคงกลับมาเป็นผู้แกร่งกล้าในสงครามตามเดิมมีพระราชธิดาคือจิตตางคณางเทวีงามประหนึ่งจะเหยียบสามโลกดํารงตําแหน่งมกุฎราชกุมารีเพื่อสืบต่อราชสมบัติตามเดิมแต่มันตรยัยมันตรายผู้เสียสละได้สูญเสียดวงตาไปแล้วข้างหนึ่งไม่มีใครรู้เห็นความเสียสละของมันตรยัยนอกจากเจ้าหญิงองค์นั้นและนางแม่มดอารารี ผู้รู้ความลับนี้รวมทั้งเป็นผู้ยุยงกับตัวมันไตรเท่านั้นดารินรวราริตเป่าควันบุรีลงเบื้องต่ำตามองจับนิ่งไปยังร่างทะมึนลึกลับที่มาบอกเล่าความย้อนหลังในอดีตการแกหล่อนร่างนั้นแนวนิ่งพร้อมทางยิ้มน้อยๆทำไมถึงจะต้องเป็นดวงตาของเจ้าด้วยจะเป็นดวงตาของผู้อื่นไม่ได้หรือ จะเป็นดวงตาของผู้ใดไม่ได้ทั้งสิน้นจะต้องเป็นดวงตาของผู้ที่ทรงวิทยาคุณทางสายเวทมนตรามีอาคมแก่กล้าที่สุดในแผ่นดินซึ่งในวาระ น, นั้นไม่มีผู้ใดจะเหนือไปกว่าราชปุโรหิตมนไตรได้เจ้าเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินผีตําแหน่งอันให ญ, ญ่ยิ่งในอาณาจักรขนาดนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องพระเจ้าค่ะก็เปรียบเสมือนข้าแผ่นดิน และได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็โดยการพระราชทานตำแหน่งยศถามอบความไว้วางพระไทยปลูกฝังเลี้ยงดูมาโดยพระราชบิดาของเราใช่หรือไม่ก็ใช่ถ้ามันตรไม่มีวิทยาการสูงส่งฉะนันพระราชบิดาของพระองค์จะทรงชุบเลี้ยงไว้เจ้ายอมรับแล้วว่าพระราชบิดาของเราชุบเลี้ยงเจ้าไว้พระราชทานตาแหน่งแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินถึงปานนั้น ก็เมื่อพระราชบิดาของเราซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวของเจ้าโดยตรงปลูกฝังเลี้ยงดูเจ้ามาครั้นเมื่อพระองค์ประสบเคราะห์เช่นนั้นชนายเจ้าจึงไม่แสดงกะตาเวทีตาคุณสนองตอบต่อเบื้องพระยุ ค, คลบาทถวายการรักษาให้พระองค์หายประชวรขึ้นมาโดยมิพักให้เราซึ่งเป็นบุตรสาวถึงกลับต้องไปวิงวอนขอร้องต่อเจ้าเช่นนั้นมันตรายอึ้งไปชั่วขณนะดารินหัวเราบเบา นี่จะเป็นการพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าในเบื้องต้นเจ้าก็มีเล่แล้วแม้แต่จะช่วยกษัตริ์เหนือหัวที่ฟูมฟักเลี้ยงดูเจ้ามาเจ้าก็ยังไม่ช่วยจนกระทั่งราชธิดาของกษัตริย์องค์นั้นอันเจ้าหมายถึงตัวเราในปัจจุบันนี้ต้องไปวิงวอนขอร้องต่อเจ้าปุโรหิตผู้อมะตะตอบมาด้วยเสียงกระด้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ข้าประบาททูลแลวว่า เป็นความลับที่ไม่มีใครรู้แม้แต่พระราชบิดากงพระองค์เองหรือข้าราชบริพารทุกฝ่ายมันไตรนั้นถึงแม้จะจงรักภักดีต่อราชวงศ์เพียงไรก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะสงวนดวงตาของตนเองไว้ได้เช่นกันวิใช่หรือเพราะไม่มีผู้ใดสามารถมาบังคับมันไตรได้อันหนึ่งแผ่นดินในยามนั้นภายในของราชวงศ์เองก็กาลังรวนเรยอยู่อย่างเป็นความลับ เปรียบเสมือนคลื่นใต้น้ำโดยอาณาประชาราชไม่รู้มีแต่ขุนศึกและมุขอมมาศผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะยังทราบความในได้เป็นยังไงอธิบายสิหัวคิ้วของหล่อนขมวดด้วยอาการโงนเงี่ยหูต่อไปมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ราชบัลลังก์อาจผัดเปลี่ยนเมื่อใดก็ได้ทั้งสิน้นขณะที่กษัตริย์มหิธิเดชะกาลังทรงประชวยอยู่ เราผู้วงการทางทหารโดยตรงอันเปรียบเสมือนพระหัตถ์เบื้องขวาของมหิดรีเดชะคืออุปราศ ช, ชัยสุริยาอันเป็นพระราชอนุชาร่วมพระชนกชนนีเดียวกันกับมหิดธิเดชะกำลังอำนาจเต็มในทางทหารชัยสุริยาพระอนุชาในยามนั้นมีความน้อยเนื้อตามพระไทยในองค์พระเชษฐามานานแล้วที่ตนเองเป็นขุนศึกคู่พระไทยรบเคียงคู่กับพระเชษฐา ม, มาตลอด แต่แทนที่จะรังตําแหน่งพระยุพระราชเพื่อครองบัลลังก์นิตรานครสืบต่อพระเชษฐากลับสถาปนาพระราชธิดาจิตตรังขนางซึ่งมีอยู่เพียงพระองค์เดียวและยังเป็นดารุณีอ่อนวัยขึ้นบนรรดุงตําแหน่งมกุฎราชกุมารีอันหมายถึงจะมอบบัลลังก์ให้บุตรสาวผู้ขณะนั้นยาววัยแทนที่จะมอบให้แก่พระอนุชาชัยสุริยา ได้ส่องสูมผู้คนและทหารเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการช่วงชิงบันลังไว้ลับๆแล้วเพียงแต่ยังมิกล้าที่จะกระทําการใดๆลงไปในระยะที่ประเชษฐายังทรงแข็งแรงแกร่งกล้าอยู่ครั้นเมื่อประเชษฐาประชวร น, นักมรณาการเห็นอยู่เพียงแค่เอื้ออิมชัยสรยาตระเตรียมแผนการพร้อมอยู่แล้วแม้ประเชษฐาสวรรคตรเมื่อไหร่มกุฎราชกุมารีจิตตรังคนาง ซึ่งเป็นเพียงเจ้าหญิงวัยดารุณีจะถูกคว่มบรลลังทันทีเหล่าขุนทหารและมุขอมมาตทั้งหลายก็แบ่งกันออกเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งยังจงรักภักดีต่อกษัตริย์พระหิธดชะอีกฝ่ายหนึ่งหันมาสวามิภักดต่อพระอนุชาชัยสรุยาและอันว่ามันไตรปุโรหิตผู้นี้ถ้าไม่คิดถึงจิตรางคนาอันเป็นยอดสเสน่หาเสียเพียงผู้เดียวก็ย่อมจะหันไปสวามิภักด์ ฝากตัวต่อชัยสุริยาพระอนุชาก็ได้มิใช่หรือแต่มันตรก็หาทําเช่นนั้นไม่กลับยอมเสียสละตนเองเพราะรักจิตรางคนาชุบพระชนชีพของมหิททิเดชะให้กลับฟื้นคืนคงขึ้นมาอีกวาระหนึ่งครั้นเมื่อมหิททิเดชะหายจากประชุนหนะักมีพลานาไมาสมบูรณ์เช่นเดิมแผนการเตรียมโค้นอำนาจยึดราชบัลลังก์ของพระอนุชาชัยสุริยา ก็ชะงักลงเพียงแค่นั้นสิ่งนี้หาความดีความชอบความจงรักภักดีของมันไตรที่จิตกลางขณะจะทรงเห็นบ้างชิรือคราวนี้ดารินเองกลับเป็นฝ่ายงานไปบ้างชั่วขณะแล้วหัวเราะแผ่วเบามันไตรเจ้าเป็นผู้ฉลาดเลิศไปด้วยวาจาและสติปัญญามาแต่ไหนแต่ไรแล้วและจากคาบอกเล่าของเจ้า ทำให้เราพอจะมองเห็นอะไรกระจ่างขึ้นมาบ้างพอสมควรเมื่อนำมาเปรียบกับสิ่งที่เรารู้มาบ้างก่อนแล้วฉะนั้นแปลว่าชัยสรุญยาก็คือพระปิตุลาหรือพระเจ้าอาของเรานั่นเองถูกต้องไหมพระเจ้าคะ่ะถูกต้องแล้วพันธุมบดีละ่ะเจ้าหญิงพันธุมบดีก็คือราชธิดาของชัยสรุยามีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระองค์นั่นเอง เพียงแต่ในวารา น, นั้นพันธุวดีมีชันสาหารจะจิตรางคนัง10บขวบปีขอให้พระองค์เข้าพระทัยเสด็จนี้ด้วยอาณาจักรนิทรานครผัดเปลี่ยนเจ้าผู้ครองนครและเจ้าหญิงผู้รังราชบรรลางมาสองยุคสองสมัยในช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณ10ปีวงเล็บเปิดหมายเหตุจากผู้เขียนหากท่านผู้อ่านสงสัยเนื้อหาความเป็นมาในตอนนี้ต้องการทราบรายละเอียด โปรดย้อนกลับไปอ่านเพชรพระอุมาภาคหนึ่งในตอนนิทรานครอันจะทำให้เรื่องราวกระจ่างชัดยิ่งขึ้นวงเล็บปิดดารินเบิกตา น, นิดหนึ่งพร้อมกับก้มศลลีสร์ลงพรางออกมาว่าอ๋อเรื่องราวเป็นเช่นนี้เดยกหรือเราเพิ่งจะมาประจักษ์แจ้งเอเดียวนี้เองเรารู้จักนามกษัตริย์ชัยสริยามากนและเราก็รู้จักพร้อมทั้งเห็นพันธุธุมวดีในโลงแก้ว เมื่ราผ่านเข้านิทรานครในครั้งนั้นแต่เราหาเคยรู้เรื่องราวของตัวเราเองไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเจ้ากับนิทรานครได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวอันลึกซึ้งสลับซับซ้อนที่แฝงซ่อนมาเป็นเวลาอนั น, นตกาลอย่างที่มันไตรทูลแล้วเอาละ่ะคราวนี้หันมาถึงเรื่องราวของตัวเราต่อเมื่อเจ้าชุบชีวิตใหมาให้แก่พระราชบิดาของเราสําเร็จเกิดอะไรขึ้นต่อไป มันตรายหัวร้อแตกพร่าเป็นเสียงปวดร้าวของปีศาจในคุ้มโลการที่ลึกที่สุดจิจตรางคานางก็ตะวันสัตว์พลิกพลิ้วหลอกล่อมันตรายต่อไปนะสิเราหล่อนชี้ที่อกตัวเองฝ่าพระบาทนั่นแหละเราหลอกเจ้าอย่างไรประวิงเวลาบายเบี่ยงไปเรื่อยวอนให้มันตรายรอจนกว่าจะพระชนมายุครบ20ปีบ้างละ ระให้พระองค์เองนำความขึ้นกราบทูลความจริงทั้งหลายแหล่แก่พระราชบิดาบ้างละซึ่งนั่นหมายถึงความครคู่นไกลๆกรถ้าแม้ว่าพระองค์กราบทูลพระราชบิดาเกี่ยวกับเรื่องให้สัญญากับมันไตรเมื่อใดมันไตรก็ต้องหัวขาดเมื่อนั้นมันไตรจึงได้แต่เฝ้ารอคอยลงรักมาตลอดทาความดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มันไตรจะทาได้เพื่อหวังว่า จากวันหนึ่งพระองค์จะทรงประทานความเห็นใจกลายเป็นความหวังลมๆแรงๆของราชปุโรหิตมันตรัซึ่งโง่เพราะความรักโง่เพราะความหลงดารินอดหัวเราะออกมาไม่ได้อีกถ้างั้นเราเองก็เจ้าเล่ไปแพ้เจ้าเหมือนกันสินะแต่เจ้าไม่เจียมตนและเฉลียวคิดบ้างเลยหรือว่าเราไม่ได้มีเยื่อใยอะไรกับเจ้าเลยณนะปางนั้นแต่มันตรัยรักพระองค์ รักสุดชีวิตและไม่ยอมตายเพื่อรอความรักมาจนกระทั่งปัจจุบนันนี้อนุภาคของความรักมันยิ่งใหญ่นะไม่เพียงแต่ปางบรรที่พระองค์หลอกลวงมันตรัยมาอย่างเจ็บปวดที่สุดเท่านั้นแม้ในชาติหลังสุดคือปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังมาทำความเจ็บปวดให้มันตรัยอีกใครเป็นคนมาถอนกริชที่ปากคมภีวิเศษมายาวินของมันตรออก ใครเป็นคนปลดปล่อยวิญญาณของพันธุมวดีให้พ้นจากอำนาจของมันไตรไปใครเป็นต้นเหตุทำลายล้างอิทธิฤทธิ์มายาการอันศักดิ์สิทธิ์ของมันไตรให้ต้องเสื่อมสลายไปชั่วขณะก็จิตตรางคนางคนที่มันไตรสุดละสุดบูชาผู้นี้แหละน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความปวดร้าวดารินถอนใจยาว เอื้อมมือจะไปแตะที่ไหลอันแลดูเหมือนผนเญินหินของร่างนั้นแต่เจ้าผีร้ายผู้อมตะรีบเบนหนีทันทีอย่างหวาดสยงลนลานกลัวหล่อนจึงนึกขึ้นมาได้หดมือกลับจะอย่างไรก็ตามคืนนี้หล่อนจะต้องล้วงความหลังครั้งเก่าก่อนออกมาให้หมดเปลือกจึงเอ่ยต่อมาได้เสียงแผ่วเบาว่ามันตรเรารู้สึกเห็นใจเจ้ามากนะ แต่เจ้าก็ต้องเห็นใจเราบ้างเหมือนกันเพราะเรามีสภาพเยี่ยงมนุษย์ปุถุชนสามัญธรรมเวียนว่ายตายเกิดและไม่มีทางที่จะได้ทราบถึงอดีตบางวันของตนเองได้สิ่งใดที่เรากระทําลงไปแล้วเราก็กระทําลงไปในสภาพภพภูมิของเราในปัจจุบั น, นชาติหารู้ไม่ว่ามันจะกระทบเกี่ยวโยงไปถึงบรรพชาติและมันเป็นการทำเพื่อสาตัวเราเองกับหมู่คณะ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 เราย้อนกลับมาถึงเหตุการณ์ตอนที่เราสมัยเป็นจิตรรางคนางบิดพลิ้วต่อข้อสัญญาหลอกล่อประวิงเวลาผัดผ่อนให้ท่านรอคอยมาเรื่อยๆเหตุการณ์ได้ดำเนินต่อไปเช่นไรหนึ่งขวบปีเศษของการรอคอยยังอดทนและพักตีเสมอต้นเสมอปลายของมันไตกรกษัตริย์มหิต ท, ทีเดชะทำสงครามขยายแผ่อำนาจกว้างไกลออกไปทั่วทุกเขตแคว้น ทีแสนยานุภาพจะญาตราไปถึงมันตรายดําเนินเรื่องในอดีตใกล้แสนไกลต่อครานั้นยังมีอาณาจักรเล็กๆอยู่อาณาจักรหนึ่งมีชื่อว่าวิสุทธิปัญจานมีนครปัญจานเป็นนครหลวงอาณาจักรปัญจานเป็นอาณาจักรที่ยังเล็กอยู่ก็จริงแต่การรบเข้มแข็งเฉียบขาดเกล้ า, กากแกร่งนะักภายใต้การนําของกษัตริย์หนุ่มผู้เป็นเลือดนะักรบโดยแท้ คือกษัตริย์อัคคีรุตดารินสะดุ้งพวายืดกายตรงทันทีถอดก้นบุรีออกจากปากดีดเข้าไปในกองไฟเบื้องหน้าทันทีอุทานว่าอัคคีรุตพระเจ้าค่ะอัคคีรุตผู้เปรียบเสมือนน้ําย่อกอกมันตรัมาจนตราปัจจุบันนี้แหละมันตรัเน้นคําหนักแน่นดารินสะกดกลั้นความตื่นเต้นเอาไว้ถามเร็วปรือว่า เล่าไปสิอาคเนรุตเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรืออาณาจักรของเรารวมทั้งพระราชบิดาเราอย่างไรร่างของคู่สนทนาของหล่อนผู้นั่งประดุดท่อนหินสงบนิ่งไปอึดใจใหญ่และดารีก็ใจเย็นพอที่จะไม่รู้ร้าเร่งมาเพื่อเปิดโอกาสให้แก่มันตรยอย่างเต็มที่เพียงแต่คอยตั้งสติควบคุมตัวเองไว้ทุกขณะเพื่อไม่ให้เผลอเรอพลาดพลั้งใดๆแก่เจ้าปีศาจพ่อมดร้ายแม้แต่วินาทีเดียว หล่อนยังทราบเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอมนุษย์ผู้อมตะผู้นี้ไม่เพียงแต่จะมากไปด้วยกริยาอาคมวิทยาการเวทมนต์เท่านั้นยังมีจิตตานุภาพอันยิ่งใหญ่นักหากเผลอตัวเมื่อใดหล่อนอาจถูกสะกดได้เมื่อนั้นและยามใดที่หล่อนตกอยู่ภายใต้อำนาจสะกดของมันหล่อนจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีขณะนั้นไพรพลกแวดล้อมรอบกายสงัดเนียบ ไม่มีแม้แต่สัมสําเนียงของจักรจันทรเรไรมันเงียบเหมือนกับว่าตัวหล่อนเองอยู่ปลายขอบโลกร้างแม้จะมีกองอัคคีภัยที่ก่อไว้เป็นเพื่อนก็เพียงแค่ยอมน้อยนิดเท่านั้นเมื่อกุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ไพศาลไปใฝ่รักลหลงใหลอยู่กับกษัตริย์หนุ่มผู้ครรนคนครเล็กๆต่ำต้อยด้อยศักดิ์ชนิดที่จะนํามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย อาณาจักรปัญจานนั้นโดยแท้จริงแล้วก็คือประเทศราชภายใต้ขันตสีมาของนิทรานครอดีที่ผ่านมานั้นสมัยที่ราชบิดาของอัคนิรุตยังเป็นเจ้าผู้กรอนครอยู่ก็เป็นเจ้าประเทศราชทุกรอบขวบปีจะต้องส่งราชบรรณาการเข้ามาถวายสัตย์ปฏิญาณถวายความจงรักภักดีต่อกรรษัตริย์มหิธิเดชเยี่ยงอาณานิคม เป็นนครหนึ่งของการปกครองเยี่ยงสหราชอาณาจากักรซึ่งมีแวนแควนอยู่ภายใต้ปกครองมากมายมีอาจจะนับได้ปั้นจานนั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในบรรดาเครือสหราชอาณาจักรของนิตรานครเท่านั้นครั้นต่อมาเมื่อกษัตริย์สิงห์โหลกะสิ้นพระชนลงอัคนิรุตซึ่งยามนั้นเป็นราชโอรส ก็ขึ้นครองอาณาจักรเป็นกรัริย์สืบแทนต่อราชบิดาพูดถึงแก่การพิลาลายไปตามราชประเพณีนั้นเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนผู้กรงนครในเครือจั ก, กรภพผู้สืบทอดบลังองค์ใหม่จะต้องเข้ามาสวายิถวายสัต์ปฏิญาณตนเป็นข้าในขอบคันธสีมาสืบแทนต่อไปเพื่อเป็นการแสดงว่าจากยอมตนอ่อนน้อมและอยู่ภายใต้อานตของมหานครใหญ่ อันเป็นอาณาจักรแม่จุดศูนย์กลางประธานแห่งเครือจักรภพแต่การกลับเป็นตรงข้ามอักคณิรุตูเหมือนจะเตรียมการแข่งข้อไม่ยอมอ่อนน้อมตอนนิทรานครไว้ก่อนแล้วได้เฉยโอกาสเมื่อบิดาตนสิ้นชีพลงและตนเองได้ขึ้นครองนครไม่ส่งราชบรรณาการไม่เดินทางเข้ามาถวายตัวถวายสัตยปฏิญาณแต่ตรงข้ามกลับประกาศอิสรภาพ ไม่ขอรวมแว่นแคว้นขึ้นตรงกับมหิทธีเดชะอันเป็นการกระทําที่อหังการเยี่ยงขบ ộ ขึ้นทั้งที่เป็นนครซึ่งปลีกย่อยเล็กเพียงน้อยนิดประชาชนพลเมืองและกำลังทหารก็เทียบไม่ได้แม้หนึ่งในสิบของมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นประธานอยู่กริยันมหิทธีเดชาได้ส่งสารเตือนไปหลายครั้งเพื่อให้เข้ามาสวามิภักดิ์เสียตามประเพณี แต่กษัตริย์หนุ่มขนองผู้โอหังอัคคณิรุธก็เพิกเฉยหาได้สนใจคำเตือในใดๆไม่วางเฉยแข็งเมืองและมีทีท่าว่าเตรียมที่จะต่อต้านทําสงครามกับอาณาจักรใหญ่ทุกขนาดหากรุกล้ำเข้าไปโดยทนงอยู่ในหลักสี่ประการคือ 1. ผู้ภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ห่างไกลาชายแดนตั้งอยู่บนที่ราบสูงแวดล้อมไปด้วยขุนเขาและช่องทาง อันเป็นชัยภูมิอย่างดียากที่คาศึกศัตรูใดจะบุกย่าตราเข้าไปโดยง่าย 2. พื้นที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปได้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะเป็นสเสบียงอย่างมากมาย 3. มีกองทัพม้าที่แข็งแกร่งชำนาญต่อการรบบนหลังมา้าเป็นที่ปรากฏกิติศัพท์ไปทั่วและประการที่ 4. อักคณิรุธมีเจตนาปรารถนามานานแล้วที่จะแยกการปกครองออกไป โดยไม่ขึ้นกับผู้ใดทั้งสิ้นต้องการให้ปัญจาร์เป็นเอกลาดเป็นไทยแก่ตัวเองดารินศดบฟังด้วยความตั้งใจและสนใจยิ่งเอาฝ่ามืออังไปที่กองไฟแล้วนำมารูปใบหน้าอันเย็นเฉียบด้วยละองไอ้น้ำค้างเรื่องฝีปากปรากฏรอยยิ้มน้อยๆ น, ยนิทางของท่านกำลังสนุกมันไตรแล้วก็น่าตื่นเต้นมากทีเดียวสรุปว่า อักขณีรุธอันเดิมที่เป็นเจ้าชายแห่งประเทศสราชของนิทราคนครพอได้ครองราชก็แข็งข้อกับอาณาจักรใหญ่ประกาศอิสราภาพก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมากิดขี่ได้ไม่ยอมเป็นข้าใครต้องการสิทธิเสรีภาพเอกภาพและสมบูภาพเหมือนเหมือนอย่างทุกประเทศในโลกยุคปัจจุบันนี่แหละก็จัดว่าเป็นผู้นําที่ดีนี่แล้วยังไงต่อไป เมื่ออาคนนรุษแห่งปันจานแข็งเมืองอาณาจักรใหญ่ก็ต้องส่งกำลังเข้าปราบทายว่าหาทางชนะได้ยากใช่ไหมหลอนกล่าว ส, สวนมาทันทีพร้อมกับหัวเราะแผ่วเบามันตรเล่าความต่อไปโดยไม่สนใจกับคำพูดเชิงล้อเลียนเย้าเล่นของหล่อนองการประกาศิทร็จากมหิธิเดชะให้กองทัพในเครือสาย ร, ราชอาณาจักรเคลื่อนกาลังเข้าทาการปราบปราม รับสั่งกำช้ำให้แม่ทับผู้ถืออาญาสิทธิ์อันเป็นเจ้าประเทศราชเอาเสียงของอัคนีรุธมาถวายภายในเจ็ดราตรีเป็นอย่างสูงกองทัพแล้วกองทัพเล่าที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้าทำสงครามเพื่อยึดแคว้นปัญจานปรากฏว่าแตกพ่ายยับเยินมาทุกกองอทัพอธิราชผู้เป็นจอมทัพแต่ละองค์แทนที่จะได้เสียงของอัคนรุตกลับมาถวายกลายเป็นว่า ได้เสียศีรษะของตนเองให้แกอักคณรุทุกคนไปไม่ว่าจะเคยปรากฏว่ามีฝีมือรบเข้มแข็งสักเพียงใดมหิหตที่เดชะทรงพระพิโรธแทบอาจียนออกมาเป็นพระโลหิตถึงกับสั่งให้กรีธาทัพใหญ่แห่งมหาอาณาจักรโดยมอบหมายให้อุปราชัยสุริยาเป็นจอมทัพ บ, บุกข้อโจมตีในครั้งนั้นไม่เคยมีการศึกสงครามครั้งใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับการทาศึกระหว่างมหาอาณาจักรนิทรานคร กับแคว้นเล็กๆเคยอยู่ในขันตสีมามาก่อนคือปัญจารอันมีอักคณิรุธเป็นจอมศึกฝ่ายตรงข้าผู้บงการสมเด็จพระอนุชาอุปราชล้อมเมืองปัญจารอยู่เป็นเวลาถึงสามสิบทิวาราตรีก็ยังไม่อาจเอาชนะบุกทะลวงเข้าไปได้ถูกรบยันถอยร่นแตกผ้ามาทุกราหวังจะล้อมไว้เฉยๆก็มิได้เพราะภายในนครปัญจานอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสเสบียง ซ้ำยังมีกองโจนคอยลอบจู่โจมตีตัดกำลังเสียไพรพลและแม่ทัพในกองไปเป็นจำนวนมากก็แปลว่าศึกในครั้งนั้นใหญ่หลวงนะักระหว่างสิบต่อหนึ่งก็ยังเอาชนะไม่ได้ดารินสอดมาอีกยิ่งหัวเราะ ด, ดังขึ้นด้วยอารมณ์สนุกแม้แต่ในชาตินี้แล้วองค์มกุตราชกุมารีแห่งนิทรนครก็ยังเอาพระไทยช่วยชายคนรักเดิมอยู่มันตรายติงเพอ โอ้ขออภัยท่านราชปุโรหิตมันตรัเราลืมคิดไปว่าตัวเราเองเป็นใครจริงสินะเราเป็นถึงมกุฎ ร, ราชกุมารีราชธิดาองค์เดียวของกษัตริย์มหิททิเดชะเราไม่ควรอย่างดิ้งที่จะเอาใจไปฝักไฟกับศัตรูที่มันก่อการกำเริบคิดการแข่งข้อกระด้างกระเดืองขึ้นเราควรจะช่วยพระราชบิดาของเรากดหัวมันผู้นั้นให้ลงเป็นเสมือนท่า ต, ตามเดิม จิตรางขนาในครั้งนั้นได้ทำอะไรลงไปบ้างละ่ะในระหว่างการศึกติดพันคราวนี้ดารินซ่อนยิม้มกล่าวด้วยน้ําเสียงขึงขังขึ้นเมื่อการปราบขบวแข็งเมืองได้ลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่และอุปราชชายสุริยาพระอนุชายังไม่สามารถรเด็จศึกได้ในเวลาอันควรกลายเป็นศึกยืดเยื้อติดพันกองทัพหลวงแห่งนิทรนครอันรวบรวมกาลังของทุกแว่นแควในอาณา โดยมีกษัตริย์มหิทธิเดชาเป็นจอมศึกก็กรีธาแสนยานุภาพขึ้นไปสมทบเป็นกองทัพมหาศาลไพรพลหลายแสนพร้อมพรั่งไปด้วยทัพคดสารและทัพม้าอเนกอนันนับไม่ถ้วนม้าจะพยี่นครปัญจานให้แหลกเป็นผุยผงฝ่าพระบาทจิตรางคนางองค์มากุฎราชกุมารีได้เสด็จไปในกองทัพหลวงด้วยเรานรไปกับกองทัพด้วย ดารินร้องเสียงสูงเปิกตากว้างพระเจ้าค่ะพระองค์เสด็จด้วยในครั้งนี้เป็นเสียงตอบอย่างชัดเจนเราจะไปสู้รบปลอบมืออะไรกับกองทัพข้าศึกหรือการสงครามคราวนั้นด้วยขอให้พระองค์ทราบไว้นบะบัดนี้ด้วยว่าพระองค์เองสมัยที่เป็นจิตตรังขางนั้นไ ม, ไ, ไม่ได้ได้ไปกว่าปัจจุบันชาติในขณะนี้เลยพระองค์เป็นดารุณีผู้เลอโฉมก็จริง แต่ได้รับการฝึกปลือฝีพระหัตในทางอาวุธทุกชนิดเป็นที่เลิศนะย่าจะหาสตรีในอาณาจากักรใดเสมอเหมือนนอกจากสรรพอาวุธที่จะทรงใช้ได้อย่างชำนาญแล้วก็ยังทรงศึกษามาในทางยุทธวิธีกลศึกวิชัยสงครามครบถ้วนเสมือนหนึ่งขันตยาราที่เป็นบุรุษเพศทุกประการเพราะพระราชบิดาไดทรงปลูกฝังไว้แล้วที่จะให้เป็นจกกักรพรรดิดีในอนาคตโดยสถาปนาไว้ในตาแหน่ง มกุฎราชกุมารีผู้รังบัลลังพระองค์เคยทรงขับรถสึกแข่งกับบรรดาเจ้าชายแห่งแว่นแควนในเครือจักรภพทั้งหลายในคราวยุทธกรีทาประจำปีโดยไม่มีผู้ใดาสามารถจะขับตามได้ทันแม้แต่อักคณิรุธเองซึ่งขณะนั้นยังเป็นเจ้าชายในเครือจักรภพแต่ข้อพระบาทก็มีอาจทราบได้ว่าในยุทธกรีธาประลองฝีพระหัตถในครั้งนั้นอัคนิรุธ แส้งออมฝีมือไว้ไว้เพื่อให้พระองค์เป็นผู้ชนะเลิศหรือไม่อัคนิรุธนั้นมีฝีมือในเพลงห อ, อกบนหลังม้าเป็นที่เลื่องลือมานานเพราะอยู่บนหลังม้ามาตั้งแต่วัยสามขวบทว่าในคราวประลองยุทธบนหลังม้าก็ถูกพระองค์ตีด้วยด้ามหอกพลัดร่วงลงจากอัศจรถึงแก่การพ่ายแพ้ไปธนูของอัคนิรุธปักเป้าหมายอยู่ก่อนแล้วมกุฎราชกุมารีจิตราคดาก็ยิงธนูซ้ำ คมธนูฉีกดอกธนูของอัคนิรุธแบะแยกออกเป็นสองซี่และเสียบปากเป้าแทนที่นี่คือเรื่องราวในยุทธกรียาประลองฝีมือของกลุ่มสาราชอาณาจักรสมัยเมื่ออัคนิรุธยังไม่ได้แข็งเมืองก่อการขบฏขึ้นเชนนี้แล้วไซจึงไม่เป็นที่น่าสงสัยว่าเมื่อการศึกสงครามเกิดขึ้นและเมื่อความจาเป็นขีดสุดมาถึงชนพระองค์จึงจะไม่ตามเสด็จพระราชบิดาไปด้วย เราพระองค์ก็คือนักโรคผู้มีฝีมือผู้หนึ่งดารินอุทานออกมาหน้าตาเฉยกลั้นหัวรอไว้สนุกจังเลยเล่าต่อไปสิมันตรโชคดีเหลือเกินที่เรามีโอกาสคุยความหลังกันในคืนนี้แต่เป็นที่น่าเสียดายนะจิตรางขนาดเสดติดตามพระราชบิดาไปในครั้งนั้นโดยแท้จริงแล้วหาได้ไปเพื่อมุ่งมาที่จะทำศึกช่วยพระราชบิดาให้เต็มฝีมือไม่ หากแต่ไปในฐานะไส้ศึกให้แก่ชายอันเป็นที่รักอ้าวคราวนี้หล่อนอ้าปากค้างร้องลั่นออกมาจริงอยู่พระองค์มีความเป็นห่วงสมเด็จพระราชบิดาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงอัคนิรุธพร้อมกันไปด้วยพระองค์ทรงม้าศึกออกรบเคียงข้างพระราชบิดาอยู่หลายครั้งแตในขณะเดียวกันก็คอยส่งข่าวให้อัคนิรุษทราบถึงโกลศึกและตื้นลึกหนาบางของกองทัพฝ่ายนิทรานคร ให้อคคณิรุธทราบล่วงหน้าอยู่หลายครั้งเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าอาคคณิรุธจะเปลียงพรําเจ้ามฤตเทศกับเราเสียแล้วในเหตุการณ์นี้ใครจะเห็นคนอื่นดีกว่าบิดาของตนเองได้อย่างไรนี่ก็เป็นข้อพิสวงของมันตรัยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระองค์ได้กระทำการเช่นนั้นลงไปอย่างแท้จริงแต่จะโดยตั้งพระทัยหรือไม่ก็ตามการได้เป็นไปในทํานองนั้น มันตรรู้ความดีและเฝ้าจับมองอยู่ทุกขณะแต่เปรียบเสมือนน้ำท่วมปากไม่อาจที่จะกราบทูลต่อพระราชวิดาของพระองค์ได้อย่างไรครั้งนั้นราชปุโรหิตมันตรก็ตามเสด็จไปในกองทัพรลวงด้วยมันตรัยนั้นไม่ชำนาญในการรบไม่ชำนาญในศรรพอาวุธแต่มันตรก็แก่กล้าในสยเวทอาคมขลังแม้จะช่วยกษัตริย์มหตที่เดชะในด้านกริยาอาคมอย่างไร อคนิรุตก็แก้กลตกไปได้หมดพระมกุฎราชกุมารีจิตร า, าคณาค่อยส่งข่าวให้อัคนิรุธทราบถึงสายสนกลนายทุกชนิดค่อยบอกถึงวิธีแก้กลแก้เวรมนคาถาทําให้สึกยืดเยื้อยาวนานออกไปโดยไม่อาจยึดนครปัญจานหรือทําให้อัคนิรุธปราชัยลงได้อย่างที่พระราชบิดาทรงหวังไว้ทางนั้นเราก็ชั่วช้าเลวสาห์มากสินะ ความรักทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงรักสมเด็จพระราชบิดาอย่างหนึ่งและก็ทรงมอบความสเสน่หาให้แก่อัคนิรุธอย่างหนึ่งแต่ความรักทั้งสองประเภทนี้ไม่อาจปด้ว ก, กันได้ประกอบกับขณะนั้นยังทรงเยาว์วัยในด้านความคิดอ่านนะักตลอดเวลามาก็ทรงคข้ามอ้อนวอนกราบทูลพระราชบิดาให้หยาศึกปลดปล่อยนครปัญจานเป็นอิสระแต่พระราชบิดามิทรงยินยอม พระองค์จึงจำเป็นต้องเสด็จมาในกองทัพเพื่อการศึกครั้งนี้ด้วยระหัตนั้นจริงอยู่ช่วยพระราชบิดาแต่พระทัยกลับไปให้ความปราณีต่อศัตรูศึกครั้งนั้นจึงเป็นความอับยลยิ่งนะมานตรายไม่ได้ประนามพระองค์แต่จะขอกล่าวความจริงไว้ให้ทรงทราบอันการศึกสงครามครั้งนั้นต้องการความเฉียบขาดเด็ดเดี่ยว พระองค์ทรงช่วยพระบิดาและพระปิตุลารบอย่างไม่ได้ทุ่มทั้งพระวรกาและพระไทยทั้งหมดเมื่อแต่ห่วงหน้าพวงหลังและทรงประมาทวางใจพระไทยว่ากองทัพนิทรานครนั้นยิ่งใหญ่นะักมีรีผลมากมายยากที่จะพลาดพลังได้จึงพยายามที่จะรบประวิงเวลาเพื่อช่วยชีวิตของอาคนิรุตไว้ประนึ่นคนที่เหยียบเรือสองแคม มันตรายได้เคยตัดสินใจเข้าทูลบอกความแก่พระองค์เป็นการเฉพาะว่าให้ปลงพระทัยเฉียบขาดเลือกเอาข้างพระราชบิดาเถิดแต่พระองค์ก็หาเชื่อฟังไม่และกริ้วโกรธถึงกับชักพระแสนจะบั่นคอมันตรายในยุทธภูมินั้นก็ยังเคยแต่พระองค์ก็ทําอะไรมันตรัยไม่ได้เพราะ จ, จิตตานุภาพของมันตรัยนั้นเหนือกว่าครั้นแล้ววาระอันสิ้นสุดของสงครามยืดเยื้อก็มาถึง แท้ที่จริงควรจะเป็นที่สิ้นสุดของอัคนิรุธและนครปัญจานแต่กลับกลายเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมหาอาณาจักรนิทรานครโดยไม่ได้มีผู้ใดคาดฝันถึงมาก่อนแม้แต่มันตรัยเองอันจัดได้ว่าเป็นผู้รู้จักดวงดาวทุกดวงในห้วงจักรวาลก็ยังเผลอไหลคิดการไปไม่ถึงได้มีการประชุมวางแผนกลสึกเพื่อทาลายล้างนครปัญจาน และอักขณนิรุธให้เสร็จสิ้นลงโดยเร็วที่สุดโดยที่ปรึกษาราชการสงครามทุกคนมาร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหล่าอธิราชเจ้าน้อยใหญ่ตลอดจนขุนพลผู้ชำนาญยุทธทุกเขตแคว้นที่กรีธาทัพมาช่วยด้วยมีองค์มหิทธิเดชะเป็นประธานและอุปราชพระอนุชาชัยสุริยาเปรียบเสมือนพระหัตถ์เบื้องขวาวาระนั้นมันตรก็ได้ร่วมอยู่ในการประชุม เพื่อึกแตกหักในครั้งนั้นด้วยมีความเห็นพ้องต้องกันว่ากำลังสำคัญที่สุดของฝ่ายอาักขณรุตก็คือกองทัพม้าอันแข็งแกร่งผิว่าหาทางหลอกล่อให้อันิรุษนำทัพม้าทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ออกมาให้ล้อมบทขยี้ทำลายลงเสียได้ปัญจารก็จะถึงแก่การพ่ายแพ้โดยง่ายจึงให้แบ่งกาลังออกเป็นสองฝ่ายอุปราพระอนุชาจะรับหน้าที่เป็นทัพหน้า โดยการจัดทับให้ดูเหมือนทับหลวงและทําทีเหมือนว่าจะเป็นกําลังพลส่วนใหญ่ทั้งหมดบุกเข้าประชิดรอบกําแพงเมืองทุกด้านพระหนึ่งหมายจะทําสงครามแตกหักเพื่อบุกทะลวงเข้าไปในนครปัญจานให้ได้และด้วยเป็นความลับที่สุดให้แบ่งกําลังออกเป็นอีกสองส่วนใหญ่แอบซุ่มไพรพลดักเรียงรายไว้ในซอกขูบข่ารูปครึ่งองค์พระจันทร์ภายใต้บัญชาการของมหิธิเดชาอันเป็นเส้นทางยุทธศาสตรสําคัญของฝ่ายปัญจาน ที่จะต้องลุกไร่เข้ามาหากได้ทีหรือเป็นฝ่ายได้เปรียบราตีแห่งการประชุมขั้นสุดท้ายนั้นอุปราชพระอนุชาซึ่งมีความสงสัยในพฤติการของจิตรลางคนานอยู่ก่อนแล้วไ ด, ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเชษฐาขอให้มีการควบคุมองค์มกุฏราชกุมารีไว้ในทันทีไม่ให้มีอิสระหรือมีอำนาจโปกำการใดๆในกองทัพด้านใดทั้งสิ้น อีกทั้งจำกัดอาณาบริเวณชั่วขณะจนกว่าจะเสร็จศึกโดยอ้างเหตุผลให้สมเด็จพระเชษฐาทราบว่าองค์มกุฎราชกุมารีจะเป็นผู้ทําให้การศึกครั้งนี้ยืดเยื้อต่อไปไม่รู้จบสิน้นและไม่อาจเอาชัยชนะต่ออัคนิรุธได้เพราะมีพิรุธว่าน่าจะเอาพระไทยไปฝากฝ่ายอยู่กับฝ่ายศัตรูประพฤติองค์เป็นเสมือนไส้ศึกแม้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม อุปราชชัยสุริยากราบทูลต่อจอมกษัตริย์เช่นนั้นยังเสี่ยงต่อพระราชอายายอย่างยิ่งตอนหน้าที่ประชุมของขุนทับจอมสึกคู่พระไทยโดยทั่วหน้าแม้มันตรเองในณะนนั้นเมื่อได้ฟังก็ยังตะลึงงานไปมิอาจจะกล่าวคำใดไ ด, ได้เป็นความอาจหารเฉียบขาดของอุปราชพระอนุชา ย, ยิ่งนะเมื่อแรก ม, มหิดทิเดชาก็ถึงแก่การสะอึกอึง่งพระสอแข็งเพราะไม่ได้ทรงเฉลียวพระไทยคิดในเรื่องนี้มาก่อนเลย แต่จอมกษัตริย์นั้นก็ไม่ได้ใช้แต่พระอารมณ์ภายหลังจากไครครวนตามเหตุผลที่พระอนุชายกขึ้นมากราบทูลถวายไปตามลำดับถึงพฤติการต่างๆที่ได้เกิดขึ้นระหว่างสงครามก็สงอ้ำอึ้งอยู่เป็นช้านานสีพระพรักตร์เครียดเคร่งมองคล้าลงในทันทีเมื่อหารือกลับแม่ทัพขุนศึกที่ประชุมอยู่โดยพร้อมหน้าก็เป็นที่ประจักษ์ว่าเห็นพ้องต้องกันเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อหานมาทรงถามความเห็นมันตรมันตรก็ไม่อาจที่จะกราบทูลเช่นใดไ ด, ได้แม้จะรู้อยู่เต็มหัวอกจึงขอปัดให้เป็นการตัดสินพระทัยของจอมกษัตริย์เองนยามนั้นทุกผู้ที่ประชุมกันอยู่ถึงแก่การตะลึงพงะเมื่อมกุฎราชกุมารีจิตรังคณาผู้แอบฟังอยู่หลังม่านของกระโจมหญ่อนเป็นที่ประชุมเสด็จออกมาปรากฏกายเด่นพร้อมทั้งชักพระแสงดาบออกจากฝัก ปรีตรงไปที่อุปราชชายศริยาอันเป็นพระเจ้าอาเป็นที่ตระนกตกใจของบรรดาขุนศึกอธิราชเจ้าซึ่งร่วมประชุมทุกผู้และวิทันที่พระเจ้าอาจะทันไหวพระวรกายปลายดาบอันแหลมคมจากจิตรางคางก็จออยู่ที่พระศรแล้วชายสริยาพระพักตซีดเผื่อแต่จิตรางคางมีพระพักอันแดงก่ำไปด้วยโทสะในที่ประชุมเงียบกริบ ไม่มีผู้ใดบังอาจกระดิกกายได้เลยในขณะนั้นมีแต่สมเด็จพระบิดาเท่านั้นที่ตวาดขึ้นกึกกล้องด้วยน้ำพระเสียงเฉียบขาดพระราชธิดาผู้อาจองค์จึงทรงชะงักด้วยความเคารพยำเกรงต่อสมเด็จพระราชบิดาอยู่ล้นพ้นรับสั่งอันเป็นประกาศสิทธ์ต่อมาก็คือให้พระราชธิดาวางพระแสงดาบลงซึ่งจิตรางขณาก็จาต้องวางและโดยทันใด ก็ถูกองค์การสั่งให้ทหารเข้าควบคุมองค์ทันทีมกุตราชกุ ม, มารีถูกจับปลดอาวุธและควบคุมองค์ไว้อย่างฉับพลันโดยไม่มีโอกาสที่จะเป็นอิสระได้ชั่วระยะเวลาหนึง่งมีกองทหารควบคุมอย่างเข้มแข็งไม่ยอมให้เคลื่อนไหวไปไหนภายในกองทัพได้เหมือนแต่เก่าก่อนและตกอยู่ในสายตาดูแลของทหารทุกขณะไม่ให้ผู้ใดเข้าปฏิต่อได้อีกเลย ครั้นใกล้อรุณรุ่งแผนศึกก็ดาเนินไปตามที่กำหนดกันไว้แล้วผู้ประหาดพระอนุชากรีธาพลประหนึ่งกระแสน้ำเชี่ยวบุกเข้าประชิดกำแพงเมืองทุกด้านของนครปัญจานที่อาจคณิรุษใช้เป็นป้อมปราการทำศึกรบประทายันอยู่การสู้รบได้ดาเนินไปอย่างดุเดือดโลหิตน้องเจิงไปทั่วทุ่งรอบบริเวณคูเมืองเนื่องจากชัยภูมิที่เหนือกว่าและแม้กาลังจะน้อย แต่ทหารของอัคนิรุธก็ทำการรบได้อย่างเข้มแข็งจัดเจนกว่ากองทัพใหญ่ของอุปราชาศรุยาได้สูญเสียล้มตายไปเป็นจํานวนมากและไม่สามารถจะหักอานครได้พ่อตะวันสายประตูเมือนทั้งสามด้านของปัญจานก็เปิดออกกองทัพมาของอัคนิรุธพุ่งออกมาประหนึพายุประการบุกทะลวงเข้ารุกไล่โจมตีกองทัพของชัยศรุยาพร้อมกันหมด ทารของพระอนุชาล้มตายประหนึ่งใบไม้ร่วงเมื่อทัพม้าของอคนิรุธรุกไล่ออกมาจึงเริ่มถอยตามแผนที่กําหนดไว้ทันทีทาทีเป็นแตกทัพกระจัดกระจายถอยร่นไปทางทิวเขา ว, วงพระจันทร์อันพระเชษฐาธิราชวางกำลังรอคอยอยู่ก่อนแล้วด้วยกองทัพม้าอันเกรียงไกรที่บุกตะลุยกระนาไล่ฆ่าฟันฝ่ายทหารของอุปราชพระอนุชาออกมาอคนิรุโตกอยู่ในสภาพเหมือนบ้าคลั่ง โดยไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งเสียได้สั่งให้ทหารไล่ตามขายี้ไม่ลดละและในที่สุดก็ถล้ำกลนเข้าสู่กับที่ดักเอาไว้แล้วกองทัพใหญ่ส่วนหนึ่งมีกำลังมากมายกว่ากองทัพที่เข้าไปฝ่ายลอกก็โอบเป็นรูปปีกกาเข้ามาการรบหุ่งจึงเป็นการตะลุมบอลมืดฟ้ามัวดินไปหมดด้วยฝุ่นทุลีและกระเซ็นโลหิตอคันธิรุธเริ่มเป็นฝ่ายเสไปเแล้ว ด้วยนำกําลังส่วนใหญ่ของตนเข้ามาตกอยู่ในกลางที่ล้อมซึ่งมีไพร่พลเหนือกว่าถึงสิบเท่าจอมกษัตริย์มหิททีิเดชะประทับอยู่บนโคจสาลทรงประกาศก้องให้ล้อมจับอาคานิรุทให้ได้ไม่ว่าเป็นหรือตายและท ห, หารธนูนับหมื่นที่เตรียมรอคอยอยู่ก่อนแล้วระดมยิงธนูไปยังกองทัพม้าของอาคเิรุทโดยให้ยิงทาลายม้าสุกอันเป็นกาลังแกร่งกล้าสาคัญของฝ่ายปัญจานเพื่อให้ล้มลง วาระนั้นกองทัพม้าของปัญจานได้ถูกกลุมล้อมเข็นฆ่าล้มตายลงเปน็นอันมากถึงกว่าครึ่งของจํานวนและอคณิรุธกําลังอยู่ในสภาพเพลียงพร้ำเพราะหลงกลจะตีหักฝ่ากลับเข้าเมืองก็ถูกกําลังของกองทัพใหญ่สกัดกั้นไว้หลายชั้นอันว่าอคณิรุธนั้นเป็นที่ปรากฏรู้ทั่วกันทั้งปัตตภีว่ามุทะลุบ้าดีเดือดยิ่งนะักเมื่อตรหนักแน่ ว, ว่าหลงกลศึกก็ยิ่งบ้าเลือด ทำการสับประยุทธ์ต่อไปโดยไม่คำนึงถึงชีวิตและแทนที่จะย้อนกลับหนีเข้าเมืองกลับบุกตะลุยเข้าหาใจกลางกองทัพใหญ่ซึ่งขณะนั้นกษัตริย์มหิธีเดชะกำลังสช้างส่งต้อนไพรพลบุกกระนำเข้ามาพร้อมทั้งทรงแผดสิงหา น, านาศบงการได้ฐานของพระองค์เร่งเข้าเข็นฆ่าทำลายล้างให้สิ้นซากขณะที่รบตะลุยอยู่กลางศึกเพนพลอสอดรมุ่งตรงสวนเข้ามานั่นเอง กษัตริย์หนุ่มแห่งปันจานก็เหลือไปเห็นผู้รุกรานทรงช้างอยู่กลางศึกจึงขับม้าศึกผกพ้นเฉียดเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วปานจากผันนาวคันธนูปล่อยดอกซ้อนเกินกว่าที่ผู้ใดจะหยุดยั้งไว้ได้พุ่งเขาเสียบซอกระสอเหนือบริเวณเกราะของจอมกษัตริย์มหิธิเดชะฟุบพระองค์ลงคาคอคฐจะาในวาระ น, นั่นเองอคนิรุธนั้นภายหลังเมื่อยิงธนูต้ององค์จอมกษัตริย์แล้ว ก็นำทัพม้าที่ยังเหลืออยู่ตีหักออกทางปีกซ้ายของวงล้อมมุ่งเข้าหาป่าทึบเชิงเขาโดยไม่มีผู้ใดบังอาจสกัดกั้นขวางหน้าเพราะฝีมือรบที่แกร่งกล้าเกินกว่าผู้ใดจะต้านรับไปได้ทางด้านกองทัพใหญ่ของนิทรานครเมื่อเห็นจอมกษัตริย์ผู้นำทัพต้องธนูอัคนิรุธซบคาคอโคจสารไปกับตาก็บังเกิดความเสียขวัญอลมานคุมกันไม่ติด เกิดโกลาหลวุ่นวายกันขึ้นทั้งทัพใหญ่ไม่อาจทําการรบรุกไล่ต่อไปได้ถนัดเพราะขุนพลจอมศึกทั้งมวลก็ล้วนแต่ห่วงองค์กษัตริย์ผู้ตลอดทั้งพระชนชีพไม่เคยเสียที่ให้แก่ข้าศึกใดเลยต่างพากันกันเอาขดจสารทรงไว้และนําถอยห่างออกมาท่ามกลางการรายล้องไม่ได้คิดที่จะสู้รบต่อไปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พลเดินเท้าของปัญจาน ได้ พ, พรังคลูออกจากประตูเมืองติดตามอคคณิรุธมาตรงเข้าต่อตีรุกรบเป็นโกลาหลนเพื่อจะช่วยกษัตริย์หนุ่มฝ่ายตนเช่นกันการได้เป็นที่ปรากฏต่อมาว่าการยึดเหนือหุบเขาครึ่งวงพระจันทร์จำต้องยุติลงโดยต่างฝ่ายต่างพลากกลับเข้าที่ตั้งของตนอคคณิรุษเสียกองทัพมาสามในสี่ส่วนมุ่งกลับเข้าประตูเมืองได้นิทรานครอย่าทับชั่วก่า นำกษัตริย์มหิิติเดชกลับเข้าค่ายพักผ่อนร่าการของจอมกษัตริย์หนักมากเพราะธนูเสียบคาซอกพระศอปลายธนูฝังอยู่ด้านในไม่ได้ทะลุโผล่ออกมาอย่างอีกด้านหนึ่งขุนศึกอธิราชทุกองค์เฝ้าล้อมดูพระอาการอยู่พร้อมด้วยพระอนุชาชัยสุริยาและยามนั้นมกุฎราชกุมารีจิตราคนางก็หากฐานที่คุมขังกักกันไว้ ทรงม้าทลาเข้ามาหาราชนกนาคผู้กำลังเจ็บหนะักโผเข้าทรงกอดไว้พร้อมทั้งพิราบให้ปิมว่าอาสุชนจะเป็นสายเลือดครั้นยิ่งมาทรงราภายหลังว่าธนูที่ต้องพระสอเป็นธนูของอัคนิรุธเองก็ยิ่งเสียพระไทยเหลือที่จะกล่าวชั่วไม่นานในอ้อมกอดของพระราชธิดาจอมกษัตริย์มหิดธิเดช้าก็สิ้นพระชนโดยวิอาตราสั่งเสีย พระราชธิดาหรือผู้ใดที่ห้อมล้อมอยู่ในขนาดนั้นแม้แต่คําเดียวจิตรางขนาประกาศกล้องสาบแท่งพระเจ้าอาและขุนศึกทั้งปวงที่กีดกั้นกันกขังพระองค์ไว้จากศึกใหญ่ครั้งสําคัญโดยตรัสบริภาทว่าแม้เธอมิถูกควบคุมกักขังพระราชบิดาก็คงไม่ต้องถดูของศัตรูสิ้นพระชนชีพลงอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ไม่มีผู้ใดเลยที่จะสามารถปกป้องคุ้งครองพระราชบิดาไว้ได้ ทั้งที่มีไพรพ ล, ลแหนล้อมนับหมืน่นตรัส ด, ด้วยความข้างแค้นน้อยพระทัยดังนั้นแล้วเธอก็ถึงแก่การวิสันดีภาพสลบแนน่่ิงท่าพระศพของพระราชบิดาทุกสิ่งทุกอย่างชนะนับงานอยู่เพียงนั้นชั่วขณะอักขิรุทยังคงคุมเชิงรักษาพระนครมั่นโดยไม่ได้ส่งทหารออกมาอีกเลยเพียงแต่ส่งรีดมาลาออกมาถวายบังคมพระศพพร้อมทั้งศาร ข้อความเพียงสั้นๆว่าไม่ได้มีเจตนาจะสังหารปลงพระชนมหิทธทีเดชเลยที่ยิงถนูออกไปก็เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นอุปรชาชชัยสุรยสิรยาส่วนกองทัพนิทรานครก็ตั้งค่าสงบคุมเชิงอยู่ในที่มั่นของตนศาลนั้นถึงองค์มกุตราชกุมารีจิตรางคนางโดยเฉพาะเหตุการณ์ทางด้านกองทัพใหญ่ก็มีว่า อุปราชพระอนุชาและอธิราชขุนศึกทั้งมวลตระหนักดีว่าพิบัติภัยย่อมจะมาถึงพวกตนแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าแม้จิตรางคนานฟื้นคือสติเมื่อใดพวกตนย่อมถูกอำนาจของมกุฎราชกุมารีเอาโทษผิดถึงขั้นประหารเมื่อนั้นจึงพร้อมใจกันยึดอำนาจปฏิวัติซ้อนขึ้นในทันทีจับกลุมคุมองจิตรางคนานไว้ในฉาพลัน พระเจ้าอาชัยสรุยาสถาปนาตนกลางกองทัพเป็นกษัตริย์สืบแทนพระเชษฐาลุมอำนาจสิทธิ์ขาดราชบุโรหิตมันตรายนั้นสุดแสนที่จะสงสารองค์มกุฎราชกุมารีแต่ก็มีอาจที่จะถวายการช่วยเหลืออย่างใดได้ในขณะนั้นท่ามกลางคมอาวุธนับหมื่นที่แวดล้อมรอบกายอยู่จึงได้แต่สงบนิ่งเฉยดูท่าทีดยจิตใจที่ห่วงกังวลต่อ ร, ราชธิดา ผู้ถูกคว่มบาลังกลางศึกนั่นเองรอคอยอยู่ว่าได้โอกาสเมื่อใดก็จะกอบกู้ราชบาลังกลับคืนมาให้กองทัพใหญ่ยังไม่ได้ถอยกลับในทันทีนั้นคงตั้งประจันหน้าอยู่คุมเชิงอยู่หน้าที่ตั้งแหล่งเดิมสองทวาการต่อมามีดอกธนูผูกสารยิ่งออกมาจากค่ายคูหอรบของฝ่ายปัญจาน ซึ่งพอจะสืบทราบกระแสความนายที่เกิดขึ้นในกองทัพนิทรานครแล้วเป็นสารของอัคนิรุตขออัญเชิญท้าทายให้อุปราชชายสุริยาผู้มีอำนาจเต็มในกองทัพออกมาทำการรบกันตัวต่อตั ว, ตวกลางยุทธภูมิด้วยอาวุธทุกชนิดสุดแต่ทางอุปราชัายสุริยาจะถนัดไม่มีคำตอบจากชัยสุริยาไม่มีคารับท้านอกจากล้อมสง บ, บนิ่งอยู่เช่นนั้น ในสภาพของเฉลยหรือนักโทษจิตรางขณางได้ขอพบกับพระเจ้าอาขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายยอมสละราชบัรวังให้โดยดีไม่คิดมักใหญ่ไฟสูงใดๆอีกแต่จะขอโอกาสไ ป, ปเผชิญหน้ากับอาคคณิรุธแทนขอให้พระเจ้าอาจงอนุญาตเถิดไม่มีคำปฏิเสธหรือทักท้วงใดๆจากพระปิตุลาผู้ทรยศเมื่อถูอรองเช่นนั้น ม้าศึกฝีเท้าดีหนึ่งตัวพร้อมเครื่องสงครามก็ถูกจัดหามาให้พร้อมด้วยอาการยิ้มเยาะอดีตมกุฎราชกุมารีผู้บัดนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากความเป็นบุตรีของบิดาที่ถูกชายคนรักฆ่าตายก็เพนขึ้นหลังม้าตัวนั้นขวบขับตรงรีเข้าสู่เชิงเทินทวารบกของนครปัญจานทันทีการได้มาปรากฏรู้กันต่อไปภายหลังว่า เธอได้ยิงธนูผูกสารถึงอัคณิรุตสารนั้นกล่าวว่าในกองทัพของสหรัฐราชอาณาจักรที่รายล้อมปัญจารอยู่ทั้งหมดในขณะนี้ไม่มีผู้ใดหรอกที่จะบังอาจออกมาสู้รบซึ่งหน้าตัวต่อตัวกับอัคนิรุตได้ถ้าจะมีก็มีจิตตรังขนานผู้สูญเสียพระบิดาไปเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าอัคนรุตเป็นบรูชาตินักบโดยแท้จริง ก็ขอให้ออกมาประอาวุธกันตัวต่อตัวเธอและอย่าได้คิดว่าเธอคืออิ ส, สตรีเลยและถ้าคลาดก็เชิญหลบหัวอยู่ในนครต่อไปเธอจะเป็นฝ่ายปีนค่ายขึ้นไปเองแม้จะถูกอาวุธของทหารเลวที่รุมกันประรังเข้ามาก็จะได้ปรากฏนามไว้ให้โลกรู้มิช้ามินานของคําท้าอันกอบไปด้วยข้อความเครียดแค้นยามยันนั้นม้าศึกตัวหนึ่งก็เหาะย่างออกมาจากประตูเมือง อักคเนรุตอยู่บนหลังม้าตัวนั้นขับตรงเข้ามาหานางเป็นที่รู้กันภายหลังอีกเช่นกันว่าเขาไม่ได้มีอาวุธใดติดตัวออกมาด้วยเลยแม้แต่มีสั้นสักเล่มทหารของทั้งสองฝ่ายต่างมองเห็นในระยะไกลของการเผชิญหน้ากันคงมีการเจรจาอะไรกันบางสิ่งบางอย่างระหว่างสตรีสาวในชุดออกศึกอาวุธพร้อมและบุรุษผู้นั้น ทุกคนเห็นว่าอัคนิรุธได้ลงจากหลังม้าอย่างสงบและยืนเด่นอยู่กลางพื้นปัตตภีส่วนจิตรงางคณาก็ชักม้าพกผลเงือดเงื้อหอกอยู่หลายครั้งในที่สุดก็ปาหอกลงไปปักอยู่เบื้องหน้าของอัคนิรุธแล้วก็ชักม้าหันกลับควบอย่างรวดเร็วกลับมายัางค่ายด้วยพระพักที่ซีดสลดคลอซึมไปได้วยยาอัศชนเมื่อกลับมาถึงค่าย ท่ามกลางการยิ้มหยันและสอบถามของพระเจ้าอาเธอไม่ได้โต้อตอบคำใดทั้งสิ้นก้มหน้าเดินอย่างสงบเข้าสู่การควบคุมตามเดิมมันตรายเป็นผู้เชิญเสด็จและเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยปลอบโยนและกระซิบบอกความในให้ว่าขอให้รอกลับไปให้ถึงอาณาจาักรก่อนเถิดมันตรายมีอิทธิพลอำนาจพอที่จะเอาราชบัลลังก์คืนกลับมาให้ได้มิพักต้องกังวลรอ เราขอบใจมากมันไตร ย, ยามนี้สิ้นพระราชบิดาแล้วเราก็เห็นท่านแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและหัวใจของเราก็แหลกสลายหมดสิ้นแล้วเช่นกันเจ้าหญิงผู้น่าสงสารได้รับสั่งกระซิบกับมันไตรเช่นนั้นเล่นหน้าอนาถนะักนาราตรีดังกล่าวนั้นเองเราได้สัญญากันเป็นมั่นเหมาะแล้วว่าจะดำเนินแผนการอย่างใดต่อไปอันเป็นความหวังของอนาคตเบื้องหน้า ซึ่งกำมองเห็นทานสำเร็จอยู่จิตรางคนาทรงสเสวยยาพิษร้ายแรงที่ทรงมีแอบซ่อนอยู่ในพระธรรมรงอยู่ก่อนแล้วสิ้นพระชนน้จากมันตรัยไปโดยที่มันตรยไม่ทันที่จะสกัดก้านป้องกันไว้ได้ทันกลายมาเป็นความเศร้าสลดรันทดใจผิดหวังอย่างรุนแรงของปุโรหิตมันตรัยผู้แสนรักพักดีจากนั้นมาจนตราปัจจุบันนี้ นี่คือเรื่องราวความเป็นมาแห่งจิตรางคนางเทวีที่มันไตรเฝ้ารอคอยมาหลายชาติหลายภพขอให้พระองค์ได้ทรงทราบไว้ด้วยเถิดมันไตรไม่ได้ปลดมดเท็จแต่ประการใดทั้งสิน้นพระองค์เสียพระไทยในเรื่องของพระราชบิดาพระองค์ผิดหวังจากชายคนรักพระองค์ถูกทรยศ์หักหลังจากพระเจ้าอาแล้วผลที่สุดพระองค์ก็ผิดสัต์สัญญาที่ให้ไว้กับมันไตรผู้นี้ ปฐมเหตุแห่งการเป็นมาในอดีตการซึ่งมันตรายเป็นผู้พันนาให้ฟังจะมีข้อแท้จริงอยู่เพียงไรก็ตามมันก็ทําให้ดารินวราลิตต้องนิ่งซึมไปได้วยความรู้สึกอันม่อาจกล่าวถูกหล่อนมีความรู้สึกเฉพาะนาบัตินี้ว่าตัวหล่อนเองมีความสนิทสนมใกล้ชิดผูกพันอยู่กับราชปุโรหิตมันตรายอย่างแน่นแฟร่ยิ่งแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในด้านเสนหาก็ตามหล่อนมองดูร่างนั้นประดุดเพื่อนเก่า หมดสิ้นความกลิ่งเกรงใดใดโดยสิ้นเชิงประหนึ่งว่าจะคุ้นเคยกันมาอย่างดีที่สุดมันตรายหญิงสาวกล่าวขึ้นแผ่วเบาน้ำเสียงจริงจังขึ้นไหนๆท่านก็ได้เล่าความเป็นมาแต่ต้นมาถึงขนาดนี้แล้วก็ขอให้เล่าต่อไปให้ตลอดในสิ่งที่เรายังไม่รู้ด้วยเถิดท่านคงจะไม่ปิดบางเราไม่ใช่หรือ ทรงใบหน้าประดุดหินนั้นค่อยๆเอี้ยวหันมาทางหล่อนช้าๆแสงไฟอันน้อยนิดในกองศาสจับเซี้ยวหนึ่งและประหนึ่งซากอันมีชีวิตจริงเพียงแต่ทรงใบหน้าของอดีตนักรบประดับขุนสึกที่เคี่ยมหนานทำเมืนถึงเท่านั้นและภายใต้เขาหน้านั้นหล่อนดูเหมือนจะเห็นเงาของนักบวชล้มแฝงซ้อนทับเป็นเงาอยู่พระองค์อยากจะทราบเรื่องราวอันใดก็รับสั่งถามมาเถิด มันตรายจะให้ความกระจาในทุกข้อความเท่าที่มันตรายล่วงรู้ได้ดารนลูกฝ่ามืออันเย็นเฉียบเข้าหากันเหตุการณ์ในครั้งนั้นบิดาเราต้องถนูอัคคณิรุธกลางศึกอเราขบวกลางศึกยึดอำนาจตัวเราเองภายหลังจากท้าอัคคนิรุธออกมาสู้รบและเราก็ไม่อาจจะฆ่าเขาได้และเขาออกมาพบเราโดยปราศจากอาวุธเหมือนจะยินยอมให้เราสังหารเพื่อสมแคน ซึ่งในที่สุดเราก็กลับเข้ามาสู่การกักกันคุมขังเป็นเชลยของอาราตามเดิมแล้วเราก็ดื่มยาพิษตายไปนราตรีนั้นเรื่องราวได้ดำเนินต่อไปอย่างไรมันตรเล่าความต่อชนิดที่หล่อนสามารถมองเห็นภาพพ์โดยกระจ่างเมื่อพระเจ้ามหิทธิเดชาและจิตรางคนางได้สิ้นพระชนลงด้วยกันทั้งคู่ในกลางศึกสงครามเช่นนั้น การก็ดูจะดำเนินไปตามพระประสงค์อันแอบแฝงซ่อนเร้นมานานของพระนุชาอุปราชชัยสุริยาเพราะปราศจากเสีย น, น้ำทางราชบัลลังก์แล้ววิพักต้องวางแผนการออกแรงใดๆทั้งสิ้นเหล่าขุนศึกอธิราชเสนาข้าราชบริพารทั้งหลายซึ่งแต่ก่อนก็ยังมีจิตแบ่งกันออกเป็นสองฝากสองฝ่ายก็มาถึงซึ่งการยุติข้อขัดแย้งในวาระนั้นทันทีด้วยพิจารณาเห็นแล้วว่า หามีผู้ใดจะขึ้นเป็นมหากริยัครองราชแทนพระมหากริยัองค์เดิมหรือราชากุมารีจิตรังขนาดได้จึงพร้อมใจการสวามิภักดิ์ต่อกริยัชไทยสรุยากันหมดสิน้นแม้แต่ตัวท่านเองกระนั้นหรือมันตราไม่มีทางเลือกอื่นใดในยามนั้นเพราะที่หวังทั้งมวลก็สลายพินพังไปหมดสิ้นแล้วทว่าความแค้นความพยาบาทของมันตรา ย, ยังไม่หมดสิ้นไป เป็นความแค้นที่จะกระทำทดแทนให้แก่ยอดหญิงอันเป็นที่รักนั่นแหละถ้าว่ายามนั้นจำต้องสงบนิ่งไว้ก่อนไม่อาจจะกระทำการใดๆลงไปได้โดยฉับพลันมันตรายเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถือว่าอุปราชัยสุริยาทรายศต่อพระเชษฐาธิราชขบถต่อมกุฎราชกุมารีผู้นั่งบัลลังก์และเป็นบุคคลสาคัญอีกผู้หนึ่งที่ทาให้มันตรต้องผิดหวังแม้จะมิทางตรงก็ทาง อ, อง้อม ขณะนั้นสงครามระหว่างนิทรานครและปัญจานยังประจันหน้ากันอยู่ไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะท่ามกลางความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของนิทรานครซึ่งมีพระสบของมหิตทิเดชันและจิตรังคนานอยู่กลางกองทัพกษัตริย์ชัยสุริยามิได้คิดที่จะทําศึกต่อไปเพราะอุปนิสัยใจคอส่วนพระองค์นั้นหาได้เข้มแข็งรักในการศึกสงครามไม่ออกจะมีความขลาดซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลึกซึ้งซ้ํา ย่อมว่าแต่จะเทียบเท่าใกล้เคียงพระเชษฐามหิติเดชะผู้เป็นนัครบอันยิ่งใหญ่เลยแม้จิตรงางคาณาคู่เคยร้างบัลลังก์สืบแทนพระบิดาก็ยังมีความกล้าหาญเฉียบขาดยิ่งกว่าดังนั้นเมื่อสิ้นทั้งสองพระองค์ลงแล้วเสมือนเหตุการณ์เข้าช่วยชายสุรยิยในทางอ้อมอีกประการหนึ่งก็คงเล็งเห็นแล้วว่าแม้จะทาศึกต่อก็คงมอาจจะเอาชนะอัคนิรุธได้มีแต่จะสิ้นเปลืองไร้พล ขึ้นไปทุกวันชายสรุยาจึงถือโอกาสนั้นประกาศยาศึกกับนครปัญจานเพียงแค่ในวันรุ่งขึ้นที่ได้ประจักษ์ว่ามากุฎราชกุมารีทรงดื่มยาพิษประหารพระองค์เองลงแล้วท้อยทับกลับคืนอน า, นาณาจักรนิทรานครทันทีโดยอัญเชิญสองพระศพพ่อลูกแช่ลงในอ่างน้ำพึง่งเพื่อ น, นำกลับมาประดิษฐานไว้ยังสุสานแห่งราชวงศ์นับแต่นั้นมา นครปัญจารของอาคนิรุก็เป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่ในขันธสีมาของนิทรานครอีกต่อไปและก็ไม่ได้มีการศึกสงครามใดๆระหว่างสองอาณาจักรนี้เกิดขึ้นอีกเลยโดยต่างฝ่ายก็ต่างอยู่นิทรานครคงยิ่งใหญ่ไพศาลเหมือนเดิมเพียงแต่ตัดขานนครปัญจารออกไปจากเครือสหราชอาณาจากักรปัญจาญได้รับการปลดแอกโดยปริยายไม่มีการกระทบกระทั่งสู้รบ หรือรารานราวีอย่างไรต่อกันอีกเลยอาคเิรุตรู้หรือไม่ว่าเราดื่มยาพิฆาตตนเองแล้วดารินถามต่อไปโดยเร็วณระหวา่างศึกยังประจันหน้าอาคเนรุธยังหาทราบไม่ว่าจิตรังคณาดได้สิ้นพระชนลงแล้วด้วยการปลงพระชนตัวเองและเมื่อกษัตริย์ชายสุริยาญาสืเคลื่อนทับใหญ่ถอยปลาดจากการล้อมก็ปล่อยถอยกลับไปโดยสงบ ไม่ได้ติดตามต่อตีหรือดักซุ่มโจมตีอย่างใดเลยไม่คงรักษาพระนครตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นอาคณิรุธมาทราบข่าวการสิ้นพระชนิการดื่มยาพิษภายหลังเมื่อกองทัพนิทรานครกลับถึงอาณาจักรแล้วเขาปฏิบัติอย่างไรหลังจากนั้นดารินซักเร็วปรือต่อไปมันตรายโครงศรีรษะอันใหญ่โตช้าๆอีกครั้ง เรื่องราวภายในของนครปัญจานและองค์อัคนิรุธเองภายหลังจากนั้นแล้วมันตรัยมิอาจทราบได้โดยละเอียดทีท้วนนะักเพราะหลังจากนั้นมานครปัญจานก็เป็นนครปิดมิได้มีสัมพันธไมตรีเกี่ยวข้องกับอาณาจักรใดอีกทั้งสิ้นคงปกครองตนเองอย่างโดดเดี่ยวโดยความสงบมาตลอดแต่เท่าที่มันตรัยพอจะอสืบทราบได้ต่อมานั้นอัคนิรุธโทรมนัดพระทัยเป็นอันมาก ที่จิตตรางคนางปรงพระชนตนเองภายหลังจากที่ได้พบกันตามลำพังหน้าเชิงเทินเมื่อยามสายยันระยะเวลาห่างกันเพียงแค่ไม่กี่โมงยามและจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏว่ากษัตริย์อักคณิรุธจะทำการเสกสมรสกับสตรีหรือเจ้าหญิงแห่งแวนแควนนครใดเลยคงครองตัวเป็นโสดมาโดยตลอดและก็ไม่ได้มีความคิดที่จะยกพลเข้ามาทาศึกกับนิทรานครอีกเลย แต่ได้มีเหตุการณ์อันฝ่ายนิทรานครไม่ได้คาดคิดไปถึงอยู่ครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนเศษต่อมาพระศพของจิตตรังคนาณังที่อาบยาวไว้ในสุสานแห่งราชวงศ์ได้สูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยถูกลักขโมยพาไปโดยฝ่ายนิทรานครไม่อาจสืบทราบได้เป็นที่เล่าลือสงสัยกันว่าอักขณิรุธได้ปลอมแปลงพระองค์มาพร้อมกับทหารคู่ประไทยเพียงไม่กี่คน ทำการลักพาพระศบของจิตรางคนางนาไปยังนครปัญจานและเมื่อพระศบของเจ้าหญิงได้หายไปอย่างลึกลับแล้วกระสาชายสรยาก็ไม่ได้ใส่พระทัยอะไรอีกไม่ได้ทำการติดตามสืมหาใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ดูเหมือนจะตระหนักได้เช่นกันว่าอคคณิรุธเป็นผู้ลักลอบมาขโมยพระศบไปยังอุกอาจการมาขโมยพระศบของจิตรางคน า, ข, นาของอคคนิรุธครั้งนั้น ไม่ลอด บ, บุกขึ้นไปจนถึงมหาปราสาทของกษัตริย์ชัยสรยาและตัดพระเศนเสียก็นับว่าเป็นบุญแล้วดารินเมมรีฟิปากแน่นน้ำตาเริ่มคลอซึมขอย้อนหลังอีกสักนิดมันไตรระหว่างศึกประจันนาและพระราชบิดาของเราถูกธนูอาัคานิรุษสิ้นพระชนส้ำพระเจ้าอาของเราฉวยโอกาสตอนนั้นยึดราชบัลลังก์กลางศึกและจับเราเป็นเชลย อัคนิรุธพอจะทราบความนายที่เกิดขึ้นภายในกองทัพฝ่ายตรงข้ามหรือไม่เรื่องนี้สุดที่มันไตรจะเดาวความได้เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินผู้ที่จะทราบดีในเรื่องนี้ก็คือพระองค์เองและอคนิรุธเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ขับม้าศึกออกไปทารบกับอคนิรุธและอคนิรุธก็ออกมาพบประจนนันท์นากันมีการสนทนาโต้ตอบกันพระองค์เองในขณะนั้นจะบอกสถานะของตนเองให้อคนิรุธทราบหรือไม่ ไม่มีผู้ใดบอกได้แต่พระองค์ก็เสด็จไปประเชิญหน้าด้วยความเกลียวกราดโทสะวังที่จะปราอาวุธแก้แค้นแทนให้แก่พระบิดาประการดียกพระองค์อาจไม่บอกความในเรื่องที่พระเจ้าอาจได้ทำการยึดอำนาจในกองทัพไว้แล้วก็ได้ดารินรีตาลงพยายามจะมองภาพย้อนหลังอันมืดมิดกล่าวเหมือนรำพึงว่าเราคิดว่าเราคงจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้อาคเรุทราบหรอกนะ เพราศักดิ์ศรีเราก็มีอยู่อีกประการหนึ่งก็เป็นคู่แค้นคู่สงครามทุกสิ่งทุกอย่างคงจะเหมือนน้ำท่วมปากไปหมดแต่เราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าแม้เราบอกอคคณิรุธถึงความจริงว่าพระเจ้าอาของเราทรยศกลางศึกและตัวเราเองก็มีฐานะเปรียบเหมือนเชลยไปแล้วเช่นนั้นอคคณิรุธคงจะต้องยึดตัวเราไว้จนได้เพราะถึงเราเองจะมีฝีมือในการรบสักเพียงไหนก็คงจะเทียบเขาไม่ได้หรอก และอักขนิรุตก็คงเอาเราไว้พร้อมทั้งเปิดศึกใหญ่กับพระเจ้าอาเราต่อไปอีกเขาคงไม่ปล่อยให้เรากลับไปตายหรอกท่านคิดอย่างนั้นไหมมันไตรก็อาจเป็นไปอย่างที่พระองค์ตรัสเพราะมิฉะนั้นช่ไหนเลยเมื่อพระองค์สิ้นพระชนชีพไปแล้วก็ยังบุกเข้ามาอันเชิญพระศพไปเหตุการณ์ทั้งหลายแหลที่ท่านเล่ามานนี้มันล้วนเกิดมาแต่กรรมทั้งสิ้น จึงบันดาลให้มามีเหตุบดบางดวงตาของทุกฝ่ายไว้มีเหตุแห่งการเข้าใจผิดเป็นโยงใยเกี่ยวข้องพัวพันกันไปหมดดารินเอ่ยเหมือนรำพึงทีนี้หันมาว่าถึงนิทรานครภายหลังจากผลัดเปลี่ยนราชบัลลังก์กลายเป็นอุ ป, ป ร, ราชพระอนุชาได้ขึ้นกรองราชแทนมันได้ดำเนินต่อไปเช่นไร ครั้เมื่อกษัตริย์ชายสริยาได้ครองราชเหตุการณ์ได้สงบลงไปช่วระยะเวลาหนึง่งเพราะชายสริยาทรงเปื่อสงครามมานานแล้วแผ่นดินสงบสุขความสมควรและก็เช่นเดียวกับสมัยที่พระเชษฐาครองราชอยู่กล่าวคือกษัตริย์ชายสรยามีพระราชธิดาเช่นกันพระองค์หนึ่งพันธุมบดีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราใช่แล้วพระเจ้าคะ่ะสิบขวบปีให้หลัง พันธุมดีได้จเจริญเติบใหญ่ขึ้นจนเป็นสาวสะพังเช่นเดียวกับพระเชษฐาภคินีอันเป็นลูกผู้พี่แต่ความงามนั้นด้อยกว่ามากนะอีกทั้งยังเป็นสตรีแท้ไม่ได้รับการฝึกปลืออบรมร่ำเรียนมาในทางสื่อสงครามใดๆเลยทรงเป็นเอตะทักคะาแต่ทางหน้าตสินร่ำฟ้อนถึงกระนั้นพระราชบิดาก็ยังทรงสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารีผู้รังบลาลังสืบแทนพระองค์ โดยมีขุนศึกวรมันเป็นเสมือนพี่เลี้ยงส่วนราชปุโรหิตมันไตรเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินดารินดีดนิ้วโดยแรงร้องออกมาว่าเอาละเหตุการณ์ในช่วงนี้เรารู้สึกว่าพอจะรับรู้เรื่องราวได้กระจ่างชัดพอสมควรแล้วพันธุมวดีนั้นไปผูกสมัครรักใคร่ชิดเชื้อกับขุนพลวรมันท่านกระหึงหวงโกรธแค้นก่การกีดกัน ร, ราวี จนกระทั่งในที่สุดนิทรานครก็ถึงแก่การถล่มล่มลงสรุปก็คือกลายเป็นพระราชธิดาของเจ้าอาณาจักรเมื่อเติบใหญ่เป็นสาวขึ้นท่านก็หมายปองเรื่อยไปมันตรายสยียยิ้มเป็นครั้งแรกดวงตาทั้งคู่ที่ไม่น่าจะมีประกายแสงบัี้วาวโรยพระองค์ทรงเข้าพระทัยผิดอย่างแรงมันตรายนั้นรักเดียวใจเดียวมอบไว้ให้แล้วแก่จิตรังขณาง ซึ่งผิดสัต์สัญญาด่วนหนีตายไปซะก่อนอีกทั้งยังมีเรื่องราผูกพันอื่นๆสร้างรอยแค้นให้แก่มันตรัยมากนะไม่ใช่แค้นเฉพาะพระองค์แค้นไปถึงกษัตริย์ชัยสุริยาที่ขบวตต่อพระองค์ด้วยมันตรายได้ทูลไว้ก่อนแล้วว่าได้เก็บความแค้นนั้นไว้เพื่อการชําระมันตรายไม่ได้ผูกติดเสนหาอันใดกับเจ้าหญิงพันธุบดีเลยหากแต่ต้องการที่จะแก้แค้นกษัตริย์ชัยสุริยาให้แก่จิตตรังคณังนั่นแหละ เป็นต้นเหตุสําคัญจึงได้ดําเนินแผนการทุกชนิดขึ้นเพื่อชัยชนะตามวิถีทางของมันไตรบรรดาลให้แผ่นดินท ล, ล่มล่มลงเอาพันธุมวดีมาไว้ใต้อํานาจบนตราอาคมเอาทุกชีวิตแห่งนิทรานครให้ลงเป็นทาตภายใต้อุ้งเท้าของมันไตรจิตร่างขณงนั้นหนีจากมันไตรไปได้แล้วแต่พันธุมวดีและทุกวิญญาณของนิทรานครในครั้งกระนั้น จะต้องหนีน้ำมือมันตรยไม่พ้นเท่าว่าแต่แล้วเจ้าพีดีผู้ขมังเวทหัวร้อนแหบๆชี้มือมาที่ใบหน้าของหล่อนแต่แล้วก็วนเวียนหนีกันไม่พ้นจิตตรังคนณางกับอคคณิรุธในชาติพบนี้ก็หวนกลับมาร่วมมือกันทำลายกริตยาคมทำลายอาณาจักรของมันตรายสมดูรณสิน้นปลดปล่อยพันธุ์ธุมวดีและทุกวิญญาณที่มันตรายปกครองมานานไปเสียสิน้น มนตรายทรยศขบวต่อกษัตริย์ชัยสุริยาจริงกระทําการอันพระองค์ในชาตินี้อาจเห็นว่าชั่วช้าสามาันจริงแต่สิ่งที่มันตรัยกระทําลงไปมันไม่ใช่เพราะแก้แค้นให้แก่จิตตรังคนางดังที่ปฏิยานไว้แล้วดอกหรือมันตรัยกระทําผิดหรือในสายพระเนตรของพระองค์เมื่ อ, อย่างทราบความจริงทั้งหมดแล้วเช่นนี้หญิงสาวเอื้องไปครู พักบุรี่ออกมาจุดสู่เป็นตัวที่สองหล่อนใคร่ครวญตามถ้อยคําบอกเล่านี้แล้วราชปุโรหิตมันไตรก็มีเหตุผลแห่งการกระทํำของตนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราเห็นใจท่านมากมันไตรแล้วก็อยากจะเชื่ออยู่เป็นนันมากว่าท่านปักใจรักพักดีต่อเราจริงทําไมนะเราถึงไม่รักท่านเสียนในยุคนั้นก็ทําไมล่ะมันไตรก็อยากจะถามพระองค์เหมือนกัน มันตร ย, ย้อนมาตัวเราเองไปผูสมัครรักใคร่อยู่กับอคคิรุได้อย่างไรท่านพอจะรู้หรือไม่พระองค์เป็นดารุณีที่มีสิริลักษณ์งดงามเหนือสตรีได้ในแผ่นดินยุคนั้นเป็นราชธิดาองค์เดียวของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้รังตำแหน่งกษัตริย์อันจะดำรงตำแหน่งมหาราชนีต่อไปในอนาคตทุกชายหมายปองพระองค์ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าบุญญาวาสนาของมันจะถึงหรือไม่เท่านั้นกษัตริย์าธิราชแว่นแควนน้อยใหญ่ทั้งใกล้และไกลก็ล้วนมีจิตเสน่หาพระองค์กันทั่วหน้าอาักขณรุษนั้นเป็นเจ้าชายของแว่นแขวนกระจ่อยร้อยองค์หนึ่งเท่านั้นอาจจะได้เคยพบปะเสวนากับพระองค์บ้างในวาระการประชุมอธิราชเจ้าทุกเขตแขวนในปกครองเคยร่วมในยุทธกรีทาประลองยุทธในแต่ละรอบขวบปีลึกลงไปกว่านั้น พระองค์กับอัคนิรุธจะได้เคยพบปะและเคยมีความพึงพอใจต่อกันที่ไหนอย่างไรก็พ้นวิสัยที่มันตรจะล่วงรู้ไปทุกฝีก้าวเพราะยามนั้นพระองค์แกร่งกล้าโลดโผนปืนหนึ่งชายอกสามซอกไม่เคยประวันยันใครทั้งสิน้นเพราะมีฝีพระหัตถ์ในเชิงอาวุธทุกชนิดเป็นเลิศเสด็จออกศึกหรือประพาดป่าอยู่หลายครั้งโอกาสเหล่านี้ จิตรังขนาดจะไปพบปากคุ้นเคยกับอคนิรุธอย่างไรมันไตรก็สุดที่จะทราบได้ทราบแต่เพียงว่าพระราชบิดาไม่ทรงพระประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นและได้เคยทรงเรียกเข้ามารับสั่งตักเตือนอยู่หลายครั้งแต่พระองค์ก็หาเชื่อฟังไม่เป็นเสียงบอกอย่างทั้งแค้นน้อยใจของมันไตรทุกชีวิตมีกรรมเป็นตัวชักนาในที่สุดดารินก็กล่าวขึ้นยังอ่อนโยน การเวลามันก็ได้ล่วงผ่านมาดึกดําบรรพ์หลายชาติหลายภพจนนับไม่ได้แล้วทําไมเราจึงไม่อโหสิให้แก่กันเสียทีและต่างฝ่ายต่างไปท่านจะมาคิดเจ็บแค้นหรือรักใคร่ผูกพันอะไรกับเราอยู่อีกปล่อยเราไปสเสเถิดมันไตรขออย่าให้มีกรรมต่อเนื่องผูกพันกันไม่รู้จบอีกเลยเราเองก็ไม่ได้ทําความเจ็บแค้นอะไรให้แก่ท่านมากมายจนอภัยให้ไม่ได้เพียงแต่ว่า บางนั้นท่านมาหลงรักเราเองส่วนเราไม่ได้รักท่านเลยและเราตัดสินใจสังหารตัวเราเองหนีจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาแล้วขอให้มันยุติกันเพียงแค่นี้ไม่ได้หรือต่อให้ขุนเขาพราศิวะอันเยี่ยมเทียมฟ้าจมลึกลงไปใต้สมุดก็ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนเจตนารม์ของมันไตรได้มันไตรยเฝ้ารอพระองค์มาหลายกับกันแล้วพระองค์เกิดแล้วดับแล้วนับชาติไม่ถ้วน แต่ก็ไม่ถึงวาระที่จะได้พบกับมันตรามาตลอดก็เพิ่งจะมาในชาตินี้เท่านั้นที่วงเวียนแห่งสังสารวัฏโคโจรให้มาพบปากกันอีจนได้มันตรัยจะไม่ละโอกาสที่รอคอยมาแสนนานนี่อีกแล้วแม้พลาดพลั้งอย่างใดวิญญาจะต้องจมอยู่ในขุมโลกรนไปชั่วกาลรรเปาประสานก็ยอมแล้วหญิงสาวถอนใจยาวหล่อนไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนความตั้งใจแน่วแน่ของเจ้าผีดิบ พ่อมดร้าต้นนี้ได้ให้เสร็จแล้วแล้วท่านจะให้เราปฏิบัติเช่นไรจึงจะสมเจตนาเป็นที่พอใจของท่านสภาพของเรากับท่านยามนี้อยู่กันคนละสภาพเราเป็นสิ่งมีชีวิตมีเลือดเนื้อลมหายใจประกอบไปได้วยธาตุทั้งสี่เยี่ยงมนุษย์แต่ท่านเป็นแต่เพียงดวงจิตวิญญาณที่คอยอาศัยสิงสถิตยอยู่ตามซาก ข, ของสิ่งที่ตายแล้วเท่านั้นมันตรเพเยรีฟีปาอีกครั้ง ข้าพระบาททุนแล้วจุดประสงค์ก็เพียงขออันเชิญเสด็จจิตตรางคนาไปสู่มหาอาณาจักรเดิมอันเป็นราชัยไอศูนย์สมบัติของพระองค์มหาปราศาสราชมนลเทียนซึ่งถูกซ่อนเร้นปกปิดไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยมาชั่วกาลนานนิทรานครนั้นท่านก็รู้ว่าเราเคยผ่านและเคยเป็นมือทำลายมาแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าสร้างนครร้างปรหาหักพัง เต็ไมไปด้วากศพอาบยาคำนวณหาอายุไม่ได้จอมผีดิบสั่นศีษะอีกครั้งหาเป็นเช่นนั้นใหม่สิ่งที่พระองค์ผ่านพบมาแล้วนั้นเป็นแต่เพียงเปลือกผิวนอกเท่านั้นแต่ตัวมหานครแท้จริงยังคงสถิตสถาพรเรืองรองอยู่ด้วยฝีมือของสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าเสมือนเดิมหาได้มีส่วนใดชำรุดซุดโทมลงไปใหม มันเป็นอนาณาจักรลี้ลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ขุนเขาอันแท้จริงก็คือเท่าลาวาที่ปกคลุมทับไว้เหมือนครอบแก้วแม้แต่ไม้ในอุทยานก็ยังสวยสดอยู่เหมือนเดิมท่านคงไม่บอกเรานะว่ายังมีประชาชนชา น, นิทรานครที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่เหมือนคนธรรมดารอคอยเราอยู่ด้วยมันไตร่ณิสงรารู้ว่านิทรานครในส่วนที่ยังไม่ถูกทำลายด้วยมนตราอาคมของท่านยังอยู่ มันตรแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นอาณาจักรร้างมานับการเวลาไม่ได้แล้วตัวเราจะมีชีวิตอยู่ในะอาณาจักรแห่งนั้นได้อย่างไรพระองค์จะดำรงอยู่อย่างอมะตะเช่นเดียวกับมันไตรมิต้องมายุ่งเหยิงอยู่กับโลกภายนอกอันเต็มไปได้วยความสกปรกโศมงของดวงจิตแห่งมนุษยชาติยุคนี้สรุปก็คือไปเป็นผีดิบอย่างท่านนั่นเอง พระองค์ตรัสประนามและมองเห็นมันตรัยไปในแง่ชั่วร้ายตลอดกาลมันตรายหาใช่ผีดิบไม่แต่มันตรายเป็นดวงวิญญาณที่ไม่รู้จักตายมันตรายพ้นจากภาวะเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นวิญญาณอิสระที่ลอยอยู่เหนือนโลกธรรมและวัตถุธรรมทั้งปวงพระองค์จะมีความสุขเสรีเหมือนดวงดาวที่ล่องลอยไปในห้วงจักรวาลไม่มีวันแตกดับสูญสลาย นี่หรือคือสิ่งที่ท่านรอคอยเราอยู่สิ่งนี้แหละที่มันตรัยเฝ้ารอคอยขอให้ตอบเราอีกสักคำเถอะมันตรยัยเมื่อท่านแน่ใจว่าเราคือจิตตรางคนางแล้วท่านแน่ใจอีกหรือว่ารา้านปากคนนั้นคนที่ชื่อระพินไพรวันคือกษัตริย์อัคนิรุธในชาตินี้มันตรายทูลแล้วว่า พระองค์เองนั้นหวนกลับมามีรูปโฉมโนมพันพระ ส, รสิริลักษบรรกายและแม้แต่น้ำพระเสียงเป็นจิตรางนางองค์เดิมไม่แพกเพี้ยนเลยเช่นเดียวกับเจ้าพรานป่าคนนั้นก็กลับมามีรูปร่างหน้าตาประดุจเดียวกับอาคานิรุตในยุคโน้นทุกประการเอาละ่ะขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนมนตรายจะไม่มีวันพ่ายแพ้เป็นครั้งซ้ำสองขอให้พระองค์รู้เถิดว่า อคคณิรุธหรือปรานผู้นั้นกําลังเดินเข้าสู่จุดหายยนะต่อให้ปราดเปลืองเรื่องเดชสักขนาดไหนก็จะไม่มีวันหลีกพ้นจากอำนาจของมันไตรได้มันไตรไม่ได้แพ้ในครั้งนั้นเพียงแต่เพลียงพร้อมไปชั่วขณะเท่านั้นมันไตรไม่เสด็จวิญญาณของพันธุ์วดีที่ถูกปลดปล่อยไปได้ไม่เสด็จทุกวิญญาณที่เคยเป็นฆาตท่ า, าบริวารของมันไตรขอเพียงให้ได้องค์จิตรางคนางมาเท่านั้น ถ้าเช่นนั้นเรามาตกลงมีข้อแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้เอาไหมข้อตกลงเช่นไรเราขอเพียงสองประการเท่านั้นอย่างรอบคอบและใคร้ครวนดีที่สุดแล้วดารินเอญหนักแน่นประการแรกเปิดป่าปล่อยให้พี่ชายและคณะของเรากลับคืนออกไปสู่โลกภายนอกได้ส่วนประการที่สองเปิดทางให้แกอ่อาคเนรุธจะได้รังควานราวีใดๆต่อเขาอีก ปล่อยให้เขาเดินทางไปตามหน้าที่ของเขาแผนการทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีเจตนาร้ายต่อเขาขอให้ยุติลงเพียงแค่นี้อย่าได้แต่ต้องเขาอีกแล้วผลที่มันไตรจะได้รับเล่าดารินยืดกายตรงขึ้นสูดลมหายใจลึกหากท่านให้สัจจากแก่เราในสองข้อนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะไปกับท่านทุกคนทุกแห่งตกลงไหม มหาพูดผู้อมตะซึ่งอดีตก็คือราชปุโรหิตผู้เรืองเวทแห่งนิทรานครนั่งนิ่งแข็งทื่อไปเช่นนั้นพักใหญ่แล้วกระแสะเสียงที่แฝงไปด้วยความคลางแคลงแต่ก็กังวานขึ้นย้อนถามมาว่ารับสั่งมาเช่นี้จริงหรือจริงมันไตรดารินบอกมาอย่างห้าวหาญเฉียบขาดมั่นคงในน้ำเสียงยิ่งนะ ขอท่านอย่าได้ใช้กริยาอาคมไม่ว่าประเภทใดทั้งสิ้นเข้าก่อกวนราวีอคัคคเนรุตและคณะของเขาอีกในทุกกรณีรวมทั้งทางด้านฝ่ายของพี่ชายเราด้วยหากท่านรับคําให้สัจจะเราจะยอมไปกับท่านทุกขนทุกแห่งตามที่ท่านต้องการร่างสูงใหญ่ทะมืนนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนแช่มช้าแล้วกม้มศีรษะลงเมื่อจะเป็นการถวายสักการะเคารพอย่างอ่อนโยนสุภาพที่สุด ถ้าเช่นนั้นมันตรายขอถวายสัจจาทั้งสองประการนี้จะไม่ตามจองล้างกอกวน ร, ราวีทั้งทางด้านอัคคณิรุตและทางฝ่ายคณะของใต้ฝ่าพระบาทอีกเลยนี่เป็นข้อสัญญาตามเงื่อนไขดารินซ่อนยิม้มอย่างไรก็ตามหล่อนจะต้องหาทางให้ทั้งทางด้านระพีและคณะของพี่ชายปลอดภัยจากฤทธเดชของไอ้พ่อมดผีร้ายนี่เสียก่อนเป็นอันดับแรกส่วนตัวหล่อนเองนั้นจะเป็นเช่นไร ค่อบิคิดแก้ไขเอาภายหลังหรือถ้าชะตากรรมมันจะเป็นไปในรูปแบบอย่างใดก็สุดแล้วแต่เถอะหล่อนยอมพลีแล้วเป็นอันว่าท่านยอมรับปากคำต่อเราแน่นอนแล้วนะพระเจ้าค่ะบอกมาเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรพระองค์หลงป่ายากแค้นสมสานทุกทรมานม า, มามากแล้วสำหรับวันนี้ มันตรายขอเชิญให้บรรทมพักผ่อนนิทราเอาแรงไว้ให้สบายก่อนเถิดในราตรีนี้ไม่ต้องกลิ่งเกรงต่อพยานตรายใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีอะไรแผ้วพานเข้ามากล่ำกลายเบื้องประบาทได้เลยแต่เมื่อแสงตะวันขึ้นเมื่อใดตื่นบรรทมขึ้นแล้วพระองค์จะทอดพระเนตรเห็นโคชสารใหญ่มีงาทั้งคู่ดำสนิทปานสีนินมาคอยเฝ้ารอรับเสด็จอยู่แล้ว ขออย่าได้ตกประไัยหรือทําร้ายอะไรต่อเขาจะสารงาดําเชือกนั้นช้างงาดําหล่อนอุทานออกมาลืมตากว้างใช่แล้วพระเจ้าค่ะช้างงาดําบริวารของมันตรัแล้วท่านจะให้เราทําอย่างไรต่อไปเมื่อเห็นช้างงาดําเชือกนั้นมันจะโยกกายลงสุดเข่าวถวารสการาแดดองคมกุกราชกุมารีจิตรางคนาเมื่อทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้ว จงเสด็จขึ้นประทับบนคอโคจสารนั้นมันจะนำเสด็จพระองค์ไปเองโดยมิพัดต้องดำเนินไปด้วยประบาทให้เหนื่อยยากลำเค็ญแปลว่าเราจะต้องนั่งหลังช้างของท่านตัวนั้นไปพระเจ้าค่ะขอถวายคำรับรองว่าพระองค์จะปลอดภัยทุกประการแล้วตัวท่านเองละ่ะจะมาด้วยไหมหรือจะให้เราเห็นในวันพรุ่งนี้หรือไม่อย่าได้ห่วงมันตรัยในเรื่องนี้ มันตรายจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จะเห็นและเฝ้าจับมองพระองค์อยู่ทุกขณะพระองค์อาจเห็นได้บางโอกาสเมื่อประทับไปบนหลังโคจสารนั้นหรือบางขณะก็จะไม่เห็นอะไรเลยแต่จงไปกับมันเถิดมันจะนำพระองค์ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ทรงยอมรับว่าจะกลับคืนไปสู่เมื่อทรงเข้าพระทัยตามข้อนัดแนะเช่นนี้แล้วข้าพระบาทมันตรายก็จะขอทูลลาไปก่อน กล่าจบมหาปุโรหิตมันตรยก็เคลื่อนถอยหลังเข้าไปในหมู่หินอย่างแช่มช้าดารินวิ่งตามไปสองสามก้าวพร้อมกับร้องเรียกเดี๋ยวก่อนมันตรยัยร่างนั้นหยุดเป็นเงาตะคุ่มอยู่ในความมืดของป่าหินฟังดูตามที่ท่านบอกหรือนัดแนมานี่มันก็ง่ายดีอยู่หรองแต่ปัญหาของตัวเราเองที่จะติดตามมาท่านยังไม่ได้บอกให้ละเอียดเลยพระองค์ต้องการทราบสิ่งใดอีก เราจะใช้เวลาเดินทางไปกับช้างของท่านกี่วันจึงจะถึงตำแหน่งที่ท่านบอกไม่เกินสามที่วาราตรีพระองค์จะถึงมหาปราสาทจิตตรังขางเสียงตอบมาจากเงามืดดารินพยายามอย่างยิ่งที่จะสแสวงหาข้อมูลแนวนาคตเบื้องหน้าของหล่อนให้ได้มากที่สุดเราจะต้องรอนแรไปบนหลังช้างถึง3มวันสามคืนทีเดียวหรืออย่าลืมว่าเรายังมีเลือดเนื้อมีชีวิตและลมหายใจ ยังต้องการประทังชีพเยี่ยงสิ่งมีชีวิตอยู่นะระยะระหว่างนี้เราจะทําอย่างไรค่ำลงเราจะพักนอนที่ไหนอาหารเมื่อยามเราหิวโหวยเล่าพระองค์จะมีที่อันเหมาะและสบายสําหรับการประทับพักผรนเมื่อยามราตรีเข้ามาถึงอย่างปลอดภัยทุกระยะจะมีอาหารอันประกอบไปด้วยเผือกมันธัญญาผลไม้และแม้แต่เนื้อสัตว์สดซึ่งบริวารของมันตรายจะจัดเตรียมไว้ให้เป็นระยะ จะมีอุทกทาราใสาสะอาดสำหรับดื่มกินโดยมิพักต้องอาธรร้อนพระทยัยใดๆเลยตลอดระยะทางจนกว่าจะถึงอาณาจักรเดิมของพระองค์ขอเพียงอย่างเดียวเมื่อเห็นบริวารของบันไตรโปรดอย่าได้ทำร้ายทุกคนที่ปรากฏกายขึ้นล้วนเป็นบริวารฆ่าท่าที่จะเข้ามารับใช้ฉลองบาททั้งสิน้นแล้วช้างของเราเองนั่นละ่ะช้างหางด้วนตัวนั้น หลอนถามออกไปอีกมีเสียงหัวเราะหืดหืดดังตอบมาแต่ไม่มีวาจาใดๆแว่ออกมาอีกเลยร้านที่เห็นเป็นเงาทะมึนนั้นกลืนหายสนิทเข้าไปในม่านสีดำของราตรีที่แวดล้อมอยู่รอบด้านมันไตรพลาจะหล่อนไปแล้วส่วนจะไปห่างไกลแค่ไหนหรือหลบซ่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงหลอนไม่อาจทราบได้รู้แต่เพียงว่ามันไม่ประสงค์จะปรากฏกายให้หลอนเห็น เพื่อให้หลอนได้มีโอกาสหลอกซับถามไปถึงเหตุการณ์ใดๆได้อีกหญิงสาวผู้หมดที่พึ่งที่หวังนอกจากตัวของตัวเองและมีความมั่นใจว่าอำนาจอัศัก์ศีจากสวรรค์เบื้องบนจะไม่มีวันทอดทิ้งหลอนถอยกลับมานั่งที่เดิมหลอนคิดว่าหลอนได้ตกลงไปกับมันตรัยเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่สุดแล้วสําหรับเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างน้อยระ บ, บินกับคณะและฝ่ายพวกของหลอนก็คงจะปลอดภัยแล้ว จากการหมายติดตามจองล้างจองแผางของมันมีความแน่ใจว่าทั้งสามฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายระพินฝ่ายพี่ชายของหล่อนและตัวหล่อนเองที่หลงพลัดอยู่ตามลําพังคนเดียวยามนี้ถ้าจะวัดระยะทางแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ห่างกันมากเกินไปนะมันจะต้องอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันนี่แหละเพียงแต่ไม่ทราบว่าฝ่ายใดอยู่ทิศทางใดเท่านั้นแต่ห่างเกินกว่าที่เสียงปืนหรือเสียงกู่ตะโกนเรียกหาจะได้ยินถึงกันได้ สิ่งที่วิตกเป็นทุกข์อยู่ในขณะ น, นี้ดูเหมือนจะเป็นหนักอยู่ที่เจ้าด้วนช้างคู่บารมีของหล่อนที่หายสาบสูญไปอย่างปราศจากวี่แววเลยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าด้วนนี่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันหล่อนเชื่อว่าป่านนี้มันน่าจะมีสัญชาตญาณรู้แล้วว่าหลอนกำลังตกอยู่ในเงื้อมเงาไผ่และคงจะต้องติดตามหาหลอนพบจนได้แต่นี่ไม่มีร่องรอยวี่แววของมันเลย ดูราวกับว่ามันได้ตายจากไปแล้วเะนั้นส่วนอีกใจหนึ่งก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าสมเด็จหลวงพ่อทั่วที่หล่อนอาราธนาผูคล้องคอให้กับมันอย่างเหนียวแน่นยังไม่พลัดหลุดจากคอของมันต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายสักขนาดไหนไอ้ด้วนก็จะมีวันถึงแก่ชีวิตเป็นแม่นมัน่นพระอโหันเจ้าองค์นั้นจะต้องทรงคุ้มครองมันไว้อย่างแน่นอนทอดกายลงนอนหนุนท่อนไม้แทนหมอนเช่นเดิม ขาข้างหนึ่งเหยียดราบไปกับพื้นอีกข้างหนึ่งชันเข่าขึ้นมือทั้งสองประสานกาันวางอยู่บนอกดวงตามเมืออย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปยังจุดทองของดวงดาวในสมองปั่นป่วนยุ่งเหยิงไปหมดแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกทุกถ้อยกระทงความที่จอมผีดิบมันไตรนำมาเล่าความให้หลอนฟังยังแว้วอยู่ในโซดและกลางดวงจิตนี่มันเป็นความจริงหรือในข้อที่ว่า น้าชาติดึกดำบรร น, นานนมมาแล้วนั้นหล่อนคือเจ้าหญิงจิตรางคนาและเขาผู้นั้นคือกษัตริย์อัคนิรุธถ้ามันเป็นการเสกสารปั้นแต่งเรื่องโดยเล่ห์กลของเจ้าผีร้ายมันไตรเหตุดายมันจึงสอดคล้องสมเหตุสมผลประสานเรื่องเชื่อมโยงกับความลี้ลับของนิทรานครดังเช่นที่หล่อนเคยรับทราบเป็นทุนเดิมมาก่อนอย่างเหมาะเจาะแล้วระพิน ผู้ซึ่งกําลังบุกบานไปเบื้องหน้าคณะของหล่อนณบัดนี้เล่าเขาเองจะได้รับรู้ความในเหมือนอย่างที่หล่อนรู้หรือเปล่าและถ้ามันตรายไม่หมดเท็จหลอนก็พอจะอบอุ่นใจได้บ้างว่าขนาดนี้จอมพรานผู้นั้นยังคงมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนยังไม่ได้ล้มหายตายจากไปหาไม่เช่นนั้นไอ้จอมพูดผีดิบก็คงจะแย้มปลายอะไรให้หล่อนทราบบ้างแล้ว สังเกตดูเฉพาะท่ายคาที่ตอบโต้หรือเล่าความเกล่อนมันมีเจตจานงที่จะหมายมั่นปองร้ายเขาให้ได้เท่านั้นอันน่าจะแสดงว่ามันยังเพียรพยายามอยู่แต่ยังกระทําไม่สําเร็จและคนบีดีอย่างระพินก็ไม่น่าจะตกเป็นเหยื่อของมันได้ง่ายนะที่หล่อนรู้นแน่ๆอกอย่างหนึ่งก็คือระพินกําลังบ่ายหน้าเข้าหานิทรานกรที่เคยผ่านมาแล้วนั้นอย่างแน่นอนคนอย่างระพินหล่อนรู้จักดี เพศภายใดๆก็ตามที่ทุกคามทําเข็นแกะเขานั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้เขาก็จะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้คนคนนั้นจะมุ่งเข้าหาเผชิญหน้าในทันทีและพฤติการจากร่องรอยของเขาท่าที่หลอนแกะรอยมาตลอดนั้นหลอนตระหนักดีว่าเขาถูกมันก่อกวนดักทำร้ายอยู่ทุกขณะจรกระทั่งเกิดการตายขึ้นของหมู่คณะมีหรือที่เขาจะคอยแต่หลบหลีกหนีหน้ามันถ่ายเดียว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 ถูกแล้วเพียงแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปถึงก่อนหรือหลังเท่านั้นและถ้าสวรรค์ทรงโปรดก็ขอให้ได้พบกันทุกฝ่ายณที่นั้นเถิดหล่อนพนมมือภาวนายามนี้ดาเรนไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกแล้วนอกจากสิบนิ้วต่างทูบเทียนบูชานกไหว้วิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแงซายยามนี้ฉันไม่มีใครแล้วทาไมเธอไม่ปรากฏเงาให้ฉันได้อุ่นใจบ้างสักนิดหล่อนครวน โกนทันโยปิตติกาคัสตมิงเมื่อนายหญิงภาวนาอัตถาคาถาประโยคนี้ก็แปลว่าพระอรหันต์โกนทัญญะก็เสด็จมาประทับทรงคุ้มครองอยู่เบื้องหลังของนายหญิงและเมื่อพระโกนทัญญะประทับอยู่เบื้องหลังก็แปลว่าแง่ทายมาพลอยอยู่เบื้องหลังของนายหญิงด้วยทุกขณาจิตแล้วถึงแม้จะมองไม่เห็นเงาก็ตาม เป็นเสียงทุ้มลึกกระซิบตอบคำครว่นของหล่อนมาเธออยู่ใกลใ้ๆฉันหรือนี่แง่ซา ย, ายดารินแทบจะผุดลุกขึ้นนั่งอย่างพรวดพราอีกครั้งแต่ก็สู้สงบจิตมันไม่มีประโยชน์อะไรสภาพของแง่ท า, ายนั้นลี้ลับสยยิ่งกว่าผีดิบมันตรัยสอีกวิธีที่ดีที่สุดยามนี้ก็คือนอนพนมมือตามเดิมแต่ส่งกระแสจิตถามไป ตลอดเวลาเมื่อนาหญิงอยู่ในห่วงภยังยแงซาไม่เคยพลาหางแล้วเธอรู้เห็นไหมว่ามันเกิดอะไรกับฉันเมื่อครู่นี้รู้เห็นและเข้าใจโดยตลอดมันไตรมันรู้เห็นด้วยหรือเปลา่าว่ากระแสะจิตของเธออยู่ใกล้ชิดฉันตลอดเวลาที่มันมานั่งพูดจายอยู่ด้วยอำนาจจากขุมนรกโล ก, กันแม้จะเกรียงไกสักเพียงไหนก็ไม่เหนือไปกว่าอำนาจจากสวรรคร์ พระอริยะเจ้าบาังดวงจิตของมันไว้ไม่ใหเห็นแม้แต่ภายในสมองของนายหญิงว่ากำลังคิดการอะไรอยู่เช่นนี้แล้วมันจะเห็นแง่ทายผู้เป็นศิษย์ของอรหันต์เจ้าได้อย่างไรดารินคนลุกซาด้วยความปิติใจเหลือที่จะกล่าวเรื่องราวที่มันนำมาเล่าให้ฉันฟังทั้งหมดเป็นความจริงหรือเปล่านายหญิงสัญญา ก, กับมันไว้เป็นมั่นหมอนแล้วไม่ใช่หรือว่าจะยอมไปกับมัน ก็ลองทำตามสัญญาดูแล้วนายหญิงจะรู้เองว่ามันเป็นสิ่งเท็จหรือสิ่งจริงเธอตอบไม่ตรงคำถามฉันนะแงซ า, ายคำถามบางชนิดไม่อาจที่จะได้รับคำตอบโดยตรงได้เพราะอย่างที่แงซ า, ายเคยพร่มเตือนไว้หลายครั้งแล้วหากแงซ า, ายทำผิดกฎชี้อนาคตหรือชี้อดีตให้แก่ใครแม้แต่คนที่ตนเองเคารพบูชาที่สุด เนี่ยไซก็จะไม่สามารถคอยให้ความช่วยเหลือใดๆแก่ผู้นั้นได้อีกแล้วและฉันคิดผิดหรือคิดถูกที่ตกลงให้สาสัญญากับมันไปเช่นนั้นนายหญิงตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วเป็นความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งอย่างน้อยก็บ่ายเบนจิตที่มุ่งอาฆาตมาร้ายของมันต่อคณะนายหญิงออกไปซะก่อนแม้จะชั่วขนาดหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้านายหญิงคลิกพลิ้วต่อต้านมันเมื่อใดมันก็จะแผลงฤทธิ์ขึ้นอีกเมื่อนั้นทันที ฉันจะต้องทำอย่างไรบ้างหรือสรุปลงท้ายฉันก็ต้องกลายสภาพเป็นผีดิบที่คอยดูดเลือดสัพพสารเหมือนอย่างที่พันธุมบดีเคยเป็นเช่นนั้นหรือมันสวดมนต์ภาวนาเข้าไว้อย่าให้พระเครื่องรางทั้งสององค์ที่เหลือติดคอนายหญิงอยู่ห่างพ้นตัวเป็ น, นขาดมันจะทำอะไรนายหญิงอย่างที่มันต้องการไม่ได้จาคาแก้ายไว้ สิ่งสุดท้ายที่มันจะพยายามกระทําก็คือสะกดจิตให้นาหญิงถอดพระเครื่องรางประจำตัวออกจงคุมสติและระมัดระวังในข้อนี้ไว้ให้มั่นก็แล้วกันแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีสิทธิ์จะถามเธอเลยใช่ไหมว่าพี่ทั้งสองของฉันอยู่ที่ไหนระพินอยู่ที่ไหนแต่และฝ่ายเป็นอย่างไรบ้างขณะ น, นี้รวมทั้งเจ้าด้วนที่หายสาบสูญไปด้วยครับผม นายหญิงไม่มีสิทธิ์จริงๆเพราะถามแล้วผมก็มาอยู่ในฐา น, นที่ใช้คําตอบได้อีกประการหนึ่งที่นายหญิงต้องการจะทราบมาโดยตลอดก็คือนายหญิงจะตามผู้กองพบไหมที่ใดเมื่อไหร่ไม่มีใครจะบอกนายหญิงได้ทั้งสิน้นนอกจากอนาคตที่จะคลี่คลายออกไปเองเท่านั้นเอาละฉันจะพยายามเข้าใจเธอแต่ฉันอยากจะรู้อดีตกาของฉันพอมีทางบ้างไหม ก็แปลว่านายหญิงยังไม่ยอมเชื่อมันตรายที่นาความมาเล่าให้ฟังมันเคลือบแคลงเหลือเกินในข้อไหนทุกข้อบันนั่นแหละและโดยเฉพาะเรื่องระหว่างฉันกับอคคนิรุตถ้าฉันคือจิตรางขนางจริงอย่างที่มันอ้างก็ไม่เห็นจะยากอะไรนายหญิงสามารถดูเห็นได้ด้วยตนเองอยู่แล้วดูเห็นฉันจะเห็นย้อนหลังไปได้ยังไงกันฉันไม่ใช่นางแม่มดมีรินี่ แต่บุญบารมีเก่าของนาหญิงและบัดนี้บารมีนั้นก็มาถึงตามกาลเวลาแล้วใช้บารมีแห่งชาญนั้นมองอดีตย้อนหลังของตอนเองเถิดและจะมองเห็นได้ง่ายกว่ามองอนาคตคนที่จะมองอนาคตได้ต้องชั้นพระอริยเจ้าแต่นาหญิงยังไปไม่ได้ถึงขั้นนั้นรอใน้ลงบอดสึ่งว่าฉันจะต้องทำยังไงถึงจะมองย้อนอดีตของตัวเองเห็นสงบจิตเข้าสมาธิ ผ่อนลมปรานให้สม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมานั่งให้เมื่อยจงนอนราบอยู่ในลักษณะ น, นั้นแหละลืมทุกสิ่งทุกอย่างซยให้หมดเพ่งดวงจิตไปเฉพาะที่องค์มหาหรฤาษีโกลทันยาที่นาหญิงเคยเห็นท่านมาแล้วภาวนาประโยคว่าโอนทันโยเปตตธิภาคัสมิงไปเรื่อยแล้วนายหญิงก็จะได้เห็นเองรู้เองและเข้าใจเองในเดตชาตที่ย้อนหลังไปรเรื่อย เหมือนเปิดอัลบั้มดูภาพเก่าๆถ้ายังไม่พบภาพที่ต้องการอย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นค้นลึกลงไปเรื่อยๆเข้าใจที่แงซายบอกนี้หรือไม่ดารินเมมปิดปากแน่นพยักหน้าช้าๆอ้าละ่ะฉันเข้าใจแล้วแต่ถ้าใครจะให้ฉันมีกำลังใจพอที่จะเข้าสมาธิภาวนาเพื่อดูลึกลงไปในอดีตของตัวเองได้เธอปรากฏตัวออกมาให้ฉันเห็นหน่อยได้ไหม แม้จะเป็นเพียงภาพมายาลวงตาก็ตามนายหญิงต้องการเห็นใครจั ก, กรราศ์หรือแง่ทรายจั ก, กรราชไม่มีความหมายอะไรกับฉันมากนักหรอกแต่แง่ทรายนั้นมีมากเหลือเกินฉันต้องการเห็นแง่ทรายถ้าฉะนั้นลืมตาขึ้นสิแง่ทรายนั่งอยู่บนก้อนหินตรงหน้าของนายหญิงในบัดนี้แล้วหล่อนค่อยๆรีเปลือกตาขึ้นทีละน้อย แท่นหินที่มันตรยนั่งอยู่เมื่อสักครู่นี้ปรากฏภาพของเจ้าอดีตคนรับใช้ประจำตัวของหล่อนขึ้นแทนการเกงดำครึ่งแข้งเสื้อดำแบบกระเรียงและผ้าแถบสีแดงคาดสีสากเบื้อตากือไรเฟิลคารเวียงโบราณจุด44ทับ40ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากที่หล่อนเคยเห็นจนคุ้นตาไฟในกองสว่างพอสมควรทาให้ภาพนั้นชัดเจนในครองจากสู่ของหลอนยิ่งนะัก จนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นภาพมายาที่หลอนคิดวาดขึ้นเองประเห็นตาตาอยู่ระยะแค่สองวานี่เองซ้อยางประหลาดขึ้นไปอีกในกรณีที่หลอนหลับตาสนิทลงซะเลยก็กลายเป็นความมืดมองไม่เห็นอะไรพอเปิดแย้มเปลือกตาก็มองเห็นดารินลืมตาสว่างโคร่งเต็มที่อีกครั้งคราวนี้เห็นแม้กระทั่งรอยยิ้มสว่างจ้าจนไรฟัน้าสะอาดปรากฏหลอนขยับตัว แง่สายยกมือขึ้นห้ามนอนอยู่อย่างนั้นแหละนายหญิงถึงนายหญิงจะลุกขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะมาจับแตะต้องกายของแง่สายก็ไม่ได้ไอพีดิปมันตรายสีอีกมันยังมีซากอันเป็นวัตถุให้ในายหญิงสัมผัสแตะต้องได้แต่แง่สายไม่มีที่นายหญิงเห็นอยู่นี่เป็นเพียงพลังงานจากกระแสคลื่นดวงจิตที่รวมตัวกันเข้ามา